จเจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายาพวกเราก็ทุกทุกอย่างเนี่ยเป็นไปบรรยากาศทุกบรรยากาศรายงานความจริงเตรียมการน้อยส่วนมากสดเลือดหยดติ๋งติงส่วนมากสด เลือดหยดติ๋งติ๋งขณะนี้จะม า, าบรรยายพูดอยู่บนศาลาเห็นแจ้งบนยอดเขาที่หวังน้ำเขียวเนี่ยมันไม่เป็นยอดเขาทีเดียวลงเป็นเนินสูงขึ้นมาสูงขึ้นมายอดเขามันจะอยู่ล้อมรอนะตรงนี้มันก็เป็นที่เนินสูงที่หนึ่งถ้าเป็นปักใต้เขาคขงเรียกว่าควร ตรงนี้เขาคงเรียกว่าควรมันไม่ใช่เขามันเป็นส่วนหนึ่งของเขามันก็เตี้ยๆไม่ไม่ไม่เป็นไม่จะเป็นตัวตัวลูกเขาเองที่เป็นลูกเขาใหญ่เลยมันก็เป็นส่วนเท่านั้นวันนี้กําหนดให้อัตมาเทศบ้างบรรยายบ้างในระยะเวลาที่เราจะก่อนจะทานอาหารเราจะเรียกกันว่าเทศก่อนฉัน ช่วง9โมงส่วนมากจะเป็นเวลาเนี้ย9โมงไปถึง 10-11 วันนี้มากําหนดให้อัตมาเทศชั่วโมงเดียวอัตมาก็บอกเอ้ยท่านปัชชารูปหนึ่งก็บอกว่านักเทศชั่วโมงเดียวมันจะเทศอยู่หรืออธรรมดามันเทศชั่วโมงเดียวมไม่เคยอยู่หรอกมันต้องเลยไป2ชั่วโมง2ชั่วโมงยังไม่เคยอยู่เลยเลยเวลาเขาอยู่เรื่อยอัตมาก็บอกว่า เอามาอยู่ก็ให้มันเลยไปไม่มีปัญหาอะไรมันอยู่ก็อยู่ไม่มีปัญหาหรอกเทศกับประมาณนั้นนะแต่เผื่อว่ามันมีนมอะไรดีๆก็ทําไมเราพกเราก็ไม่ขัดข้องเราถ้ามันโอ้โหดีๆนี่ต่อเถอต่อเธอะก็ต่อไปได้นะถ้าเผื่อว่ามันมีแรงอยู่ไอ้แรงมีนะเพราะอาตมาใ น, นอายุเท่ากับในเต้ยที่ออกอากาศไปเมื่อกี้เนี่ยเต้ยนายนายสุดพลูภูไพรนายสุดภูไพร ชื่อเชื่อสุดภูไพรเอาหวังกลางใช่ไหมหวังภูกลางสุดผููไพรหวังภูกลางอายุเท่ากันคืออายุสิบแปดอายุสิบแปดอายุเท่ากันออาตมามีหลักฐานยืนยันนะไม่ใช่อาตมาพูดเองคุณต้องเห็นกายทิพอาตมานะกายทิพอาตมานี่ก็คือส่วนหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของอาตมานี่ อยู่ในร่างที่จริงคําว่ากายเนี่ยตมาฯกาลังอธิบายอธิบายกายนี่มันมาจากภาษาบาลีกายะกายโยนี่ยมันมาจากภาษาบาลีมันแปลว่ามูหรือกองหรือองค์ประชุมนะหรือสิ่งที่รวมกันสิ่งที่รวมกันอยู่เรียกว่าเรียกว่ากายกายโยนะเพราะงั้นถ้าสิ่งที่เกิดมารวมกันเนี่ยทํา กริยานี่ยเขาเรียกว่าสัมปยุตตังที่จะมารวมพร้อมกันอ๋อไม่ใช่อาสัมปยุตตังแปลว่าความประกอบเอามารวมเอามาเอามาประกอบเรียกว่าสัมปยุตตังพอรวมกันแล้วนี่ยเขาจะเรียกสหคตังอภาษาพวกนี้มันจะมีลึกซึ้งพวกนี้เขาเรียกสหคตังคือมันไปด้วยมันร่วมกันแล้วมันรวมกันแล้วมันก็ไปด้วยกันเลย มันรวมกันอะไรมันก็นไปมันก็ลองก็ ล, ลองเลยเนีสหัตังนะถ้าสัมปยุตตังนี่หมายความว่ามีสิ่งนี้เข้ามาร่วมด้วยแล้วก็เข้ามามีบทบาทมีเจ้ากีจเจ้าการมีปฏิกิริยากับอันนี้เรียกว่าสหัตังโอ๊ยไม่ใช่สัมปยุตตังเช่นว่าญาณสัมปยุตตังอุเบขาสหัตังอสังขาริกัง อ, อย่างนี้เป็นต้น อ่าต้ออธิบายจิตกุศลจิตหรือโสพลจิตตัวหนึ่งกุศลจิตที่เป็นโสพลจิตตัวหนึ่งเรียกว่าญาณสัมปยุตตังอัตมาไม่ได้มีตำราไม่ได้มีอะไรมาเลยเ น, นี่ยใช้ความจำล้วนๆเลยนี่นะผิดถือยังไงก็ว่ากันไปก่อนตามสดๆพยัญชนะไม่ค่อยแม่นแต่ว่าอัตมาว่าอัตมามั่นใจในสภาวะที่อัตมามีตอนนี้ก็จับ พยัญชนะมาแปะสภาวะที่มีอยู่เรื่อยพยายามไปเรื่อยนะคำว่ายานสัมปยุตตังก็หมายความว่าในกายโยรวมทั้งหมดนี่แหละเป็นกาโยเรียกว่านามกายยานสัมปยุตตังอุเบขาสังกตังอะสังขาริตังสามคำนี้เป็นความหมายที่บอกกล่าวสภาวะจิตเจตสิก ที่มีลักษณะสามอย่างนี่ยอยู่พร้อมกันรวมกันอยู่เรียกว่ากายโยรวมกันอยู่เนี่ยเรียกว่ากายโยเขาเรียกว่าเจตสิกดวงหนึ่งเนี่ยดวงหนึ่งเขาเรียกเป็นภาษาลักษณะนามนเพราะมันดวงนึงมาดวงนันอยู่มีลักษณะสามอย่างเนี่ยเป็นบริบทของมันเรียกว่าบริบทของมันรวมอยู่สามอย่างเนี่ยสามอย่างนี้จะต้อง คหนึ่งถึงหนงานสัมปยุตสองความเป็นอุเบกขาสากตังสมอสังขารทกังญานก็แปลว่าปัญญาปัญญาอย่างรู้ปัญญาที่ลึกซึ้งญานเนี่ยสัมปยุตตางกมายความว่ามียา น, นี่เข้ามาเป็นเจ้ากิจการร่วมทํางานมีบทบาทอยู่ในนี้เป็นพลังร่วมอยู่อย่างสําคัญเลยเพราะงั้นจะมีอะไระไๆเกิดอยู่เนี่ย รู้ดียานยานจะเป็นตัวสอดส่องรู้อยู่ทุกอย่างทําอยู่ด้วยปัญญายุริยานนะประกอบพร้อมไปด้วยสัมปยุตตังเข้ามาร่วมเขามามีส่วนร่วมประกอบอยู่เนี่ยพร้อมเลยมียานปัญญาควบคุมอยู่ด้วยและลักษณะของจิตมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นอุเบกขามันเป็นความวางเฉยลนะักษณะเนี่ยโคเจตสิก ต, ตัวนี้นี่มีลักษณะสามอย่างในตัวกายโยรวมกันนามกาย รวมกันนะเป็นรวมกันเป็นนามกายถ้าจะให้พูดอีกอันหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งของอุปาทายรูปด้วยแต่เอาละเดี๋ยวค่อยขยายจากอุปาทายรูปมาหาเจตสิกพวก น, นี้มันไกลเพราะอธิบายจากรูปมาสู่นามอันนี้เป็นนามกายเป็นเจตสิกแล้วที่อาตมากำลังพูดถึงอยูน่นเป็นเจตสิกเป็นนามกาย มันจะมาจากรูปอุปาทายรูปมาเนี่โอ้โหลึกอุปาทายรูปเนี่เหลือกว้างอุปาทายรูปยังกว้างและยังลึกลึกกว่านามอีกเป็นลักษณะซอยละเอียดอีกนะเ้น่อมาถึงตรงนี้อาตมาก็พยายามขยายความตอนนี้ในในยะประมัตพธรรมต่างๆที่ลึกซึ้งพวกนี้อยู่อ่า ก็ผู้เราพู้เราที่ตั้งใจศึกษาฟังไปเรื่อยอัตมาเป็นเศรษฐีบรนอกคือรู้มากแต่ไม่เป็นหมวดเป็นหมู่เละเลยปนกับเละไม่เป็นหมวดเป็นหมู่เลยเนี่ยมีทั้งเพร็รทั้งทองมีทั้งเงินทั้งบุตรสารคำมีทั้งนินมีทั้งโอ้มีสมบัติเยอะมีทั้งของส ม, มัยใหม่ด้วยนะปจินัมก็มี อ่จัตุนมยมก็มีอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะเลยอกองพนิ้นตนทึอมีแม้แต่อะไรนะ่า เ, เหตุปัจจัยที่จะไปทำไอ้นิวเคลียร์ฮะยูเรเนียมก็มีอะไรงี้เป็นต้นโอ้โหเยอะเลยตอนนี้อาจมาขะกันอยู่ไม่แยกเป็นส่วนจะมีคนรู้เขาเขาไม่แยกเนียเอาแวะไปเรื่อยอธิบายสามตัวนี้ยังไม่จบทระทีคำว่า ญาณสัมปยุตตังคือมีปัญญาร่วมอยู่ด้วยในเจตสิกดวงนี้ที่มีสามอย่างที่เป็นกายโยที่เป็นสิ่งรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นกองเป็นสิ่งที่รวมกันอยู่เนี่ยและก็เป็นหมวดเจตสิกครบเจตสิกสามกายโยนี่หมาวยว่าหรืหมายถึงจิตเจตสิกต่างๆเจตสิกสามมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารนะสังขารคือการปรุงแต่งกันอยู่ ในนี้นี่คำว่าปรุงแต่งก็มีคำว่าสังคารสังขา ร, ส, ขารสังขาริกะสังขาริกะแปลว่าผู้ปรุงนะมันมีผู้ปรุงผู้ปรุงนั้นนี้มีสองอย่างนหนึ่งคำว่าปรุงตัวเราคือตัวปรุงทีงนี้เราจะปรุงเองหรืออันอื่นจะมาร่วมปรุง อะแปลว่าไม่ฟังดีๆนะมันจะลึกซึ้งอะสังขาริกะหรือสังขาริกังนี้แปลว่าเราเราจะเป็นตัวสําคัญของการปรุงเป็นตัวสําคัญของการปรุงเราจะปรุงเองหรือเราจะเป็นตัวรับรู้ว่ามีสิ่งที่มาปรุงเขาแปลสังขาริกังว่าถ้าสะสักสังขาริกังแปลว่ามี ผู้ชักชวนสังขารทกลางแปลว่าผู้ชักชวนส่วนอะสังขาริกลางแปลว่าไม่มีผู้ชักชวนเพราะฉนั้นคําว่าชักชวนนี่ก็หมายถึงหนึ่ ง, หงเหตุข้างนอกอเรามีสิ่งที่ข้างนอกมามีอินูมาชวนเนอปะป่ะเราสัมผัสผู้หญิงข้างนอกแต่ผู้หญิงนี้เป็นตัวชวน ผู้หญิงนี่เป็นตัวชว น, นผู้หญิงนี่ก็ชวนเลยนะแหมให้ท่าอย่างงน้นอย่างนี้มีบุบุกรุกรเราเลยด้วยอะไรแต่เราจะปรุงร่วมไหมอะสังขารทกังเราเป็นผู้ที่ไม่ปรุงไม่ร่วมคุณปฏิกิริยาของคุณคุณเกิดการกิริย า, ค, ายคุณตบมือข้างเดียวเขก็ตบมือข้างเดียวไปแต่เรามีจิตของเราอุเบกขาเรียกว่าเป็น สังขารุเปกขาเรามีอุเบกขาต่อสังขารที่เก่งเก่งมียานรู้ว่าการติดของเรานี่เป็นขั้นสังขารุเปกขาสังขารุเปขขานี่เป็นคุณสมบัติของยานหรือปัญญาชนิดหนึ่งสังขารุเปกขายานคือยานของวิปัสนาญาณข้อที่ฮะข้อที่แปด ข้ อ, อที่แปดนี่คุณเอามาตั้งแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำงานอะไรเลยเนี่ ย, ยมันมาตั้งแล้วไปไ ป, ไ ป, ไปเดียวเดียวคุณอยู่มันก็พอสว่างพอคุณไปมันก็มดืดมาตั้งแล้วมันก็ตั้งโชว์ให้รู้ว่าเรามีของเมื่อกันโชว์อย่างเดียวเพราะงั้นพ อ, อเรามีตัวญาณหรือว่าปัญญาที่มันรู้เลยแล้วมันก็เป็นญาณที่มีมุทุพุท ธ, ธาตุ โอ้ตะมาขยายไปใหญ่เลยนะเนี่ยแทนที่จะอธิบายสามตัวนี้เท่านั้นไปใหญ่เลยมุทุพูตธทาสมาคำว่าเป็นธาตุที่ไวเร็วน่าไวเร็วมากเลย sensible ธาตุตัวนี้แหมเรนภาษาฝรั่งเลยเนาะ sensible ไวเร็วปรับตัวได้น่าเร็วต่อการกระทบสัมผัสสัมผัสปับรู้ปับเปลี่ยนปับเปลี่ยนปับเปลี่ยนแล้วก็จัดการสมดุลได้เลยว่า sensible ถ้า sensitive นี่หมายความว่ารับรู้ได้เร็วเร็วไวแต่ยังไม่เก่งเท่า sensible Sensible นี่มันปรับตัวปั๊บเลยได้ทันทีตามเหมาะตามควรได้เก่งคือคุณสมบัติของคำว่าเซนเซนซิเบิลมันสูงกว่าเซนสิทีฟนิดหน่อย Sensitive นี่มา ก, ก่อนและ sensible ลนี่เปนความสำเร็จ Sensible ลอ่าอาเบิลอานี่หมายความด้วยสามารถอาเบินี่ อังกฤษกับโว่อเนี่ยมันเก่งขึ้นเซน s ์มันเก่งขึ้นเซน s i b บ e นะอ้าพ่อแม่ทำเป็นเก่งอธิบายพยัญชนะภาษาอังกฤษนะนะกลับไปสู่จิตตัวที่มันสามารถที่จะมีปัญญาและกับอุเบกขาสหคตังมันมีความเก่งของอุเบกขา เป็นความวางเ ฉ, เฉยได้เฉยได้เก่งสะสมความสามารถเป็นว ส, สีเป็นความสั่งสมตกผลึกในความอุเบคาซึ่งเป็นตัวคุณสมบัติตัวฌานที่สี่อุเบคาฌานที่สี่ในขั้นสุดท้ายของเอกเอกขตาโสสุดท้ายเนี่ยเกง่งเรื่อยๆเอกอุเบคานี่ตกผลึกลงไปสั่งสมลงเป็นอดีตเป็นทุนเป็นคุณสมบัติสั่งสมลงไปเป็นสมบัติ แน rition, ่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าอเนนชาเป็นสมาหิตังเป็นสมาธิตังมันตังมันตังมันตังมันสั่งสมลงเป็นนิจจังทุวังสัสตังเนี่ยเรื่อยเพราะฉะนั้นอุเบขาของคนที่มีบารมีหรือมีคุณสมบัติสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเรียกว่าเป็นสมาหิตังเป็นความตังมันของจิตหรือสมาธินั่นแหละสมาธิตัว ตัวปลายตัวที่สามท่านเรียกว่าสมาหิตะเป็น past perfect tense เป็นตัวที่ตั้งมั่นแข็งแรงเพราะฉะนั้นอุเบกานี่มันจะเป็นสังขตงังมันร่วมอยู่ด้วยกับคุณสมบัติของสามอย่างที่เป็นกายโยนี้เป็นกุศลจิตกุศลเจตสิกตัวนี้เพราะเมื่อเวลาคนนี้มีคุณสมบัติเจตสิกตัวนี้กระทบสัมผัสไอสิ่งข้างนอกมันจะปรุงแต่งร่วมไม้สังขาริกะตัวเรามีหน้าที่สังขาร เป็นอคุญญาพิสังขารเป็นสังขารที่ไม่ต้องล้างกิเลสแล้วเป็นแต่เพียงว่าเราเองจะประมาณตนว่าเราจะอนุโลมแค่ไหนแค่ไหนอนุโลมผิดเสียท่าน ะ, ะบกพร่องได้ผิดพลาดได้ไม่เต็มเต็งทำไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเผื่อว่าพอดีพอเหมาะได้สัดส่วนสมได้อย่างพอดีเป็นมัตันยุตาที่พอดี ได้สัดส่วนแท่งเซนซิเบิลเนี่ยแหละได้ผสมดีนั่นแหละสมบูรณ์ดีนะเพราะงั้นเราเลยต้องฝึกคุณสมบัติพวกนี้ให้แกต้นเองสัต บ, บุรุษหรือผู้ที่เป็นอริยะก็จะเป็นผู้ปรุงทีนี้ปรุงเองสิ่งที่จะเราเรียกว่าชักชวนมันกระทบสัมผั์มันมีฤทธิ์ยุแย่เรายั่วยุเรา จะให้เรานี่กิเลสขึ้นกิเลสขึ้นกิเลสขึ้ น, นยั่วยุเราแต่เราก็เก่งกว่ากิเลสเฉยต่อกิเลสได้ได้วยอุเบกขาเพราะฉะนั้นผูดด้ใดมีเอุเบกขาสังคตังที่แข็งแรงพอคุณก็สามารถที่จะอยู่เฉยบางเฉยได้คุณก็สัมผัดไปจะกระทุง่งกระแทกจะมอมเมาจะยั่วจะยวนจะทําร้ายทําลายลงแร ง, ร ง, รงขนาดไหนเราก็คงกระพัน เรายูยงคงเพัน์มีจังทุกวัง ส, สตังไม่มีแปลโปรอสั้งหิรังไม่มีอะไรสามารถจะทำลายลางลบลางไม่มีอะไรจะหักลางได้ที่เป็นคุณสมบัติของพลังงานจิตที่สั่งสมทีนี้เราจะร่วมเป็นผู้ปรุงเองสังขาริกะเราเป็นตัวผู้ปรุงสังคาริกะคือตัวผู้ปรุงเราจะปรุงไปเอง เราจะปรุงแค่ไหนอย่างไรก็อภิสังขารของเราเราก็ปรุงเองปรุงอย่างยิ่งจะปรุงตอนนั้นตอนนี้อนุรม์ทำงานด้วยเราจะไปร่วมงานด้วยร่วมกิจด้วยร่วมพลังงานร่วมกิจการร่วมกับเรื่องนี้แหละกำลังร่วมต้มกำลังร่วมหุงกำลังร่วมคลุกกำลังร่วมคลุกกำลังร่วมทำงานทุกอย่างด้วยนั้น จะเป็นงานร้อนงานเย็นอะไรก็ตามใจอาจจะเป็นงานและท่านก็ศึกษาท่านก็มียานสัมปยุตอยู่แล้วแน่นอนท่านไม่เลือกไปร่วมทําในสิ่งที่เสียหายปัญญามันจะเป็นกุศลจิตมันก็ต้องเลือกเลือกสิ่งที่ควรทําจะไปร่วมกับสิ่งที่ไม่ควรทําไม่ร่วมก็ร่วมสิ่งที่ควรทํา มันมีอยู่สามลักษณะหนึ่งตัวรู้ยานสัมพยุตสองตัวเจโตแข็งแรงเป็นฐานเป็นแก่นเป็นอปปนาพญ ป, ปนาเจตสุพิินโปรปนาส่วนตัวตักกะวิตั ก, กะสังกปะเนี่ยเมื่อสังกปะมันไม่กิเลสเข้าไม่ได้แล้วจิตนี้ก็ตัวเป็นตัววิตั ก, กะเป็นตัว ไตรตรองอย่างยิ่งตักกะเนี่ยตรีหรือตรองหรือไตรหรือตรองหรือคิดหรือนึกหรือใช้วินิจฉัยแล้วอย่างยิ่งวิตักกะแล้วก็ใช้งานทำงานก็เป็นตัวจิตที่ได้กันกรองที่ได้เลือกเฟ้นที่ได้จัดสรรเอามาทำประโยชน์เอามาทำงานเลยเมื่อมีจิตตัวทำงานนี้ท่านก็สังขารท่านก็สังขารเพราะฉะนั้นก็ เมื่อตรองแล้วเอาส่วนพลังงานกุศลส่วนเท่านี้กุศลเท่านี้ไม่ทําพลังงานเท่านี้จะออกแรงเท่าไร่เป็นผู้คํานวณเป็นผู้ประมาณมัดตัน้นยูตาเป็นผู้จัดสรรเองเลยแล้วก็ไปสังขารเพราะวจีสังขารก่อนที่จะไปเป็นวจีกรรมไปเป็นกรรมมันตากไปเป็นอาชีวะข้างนอกจิตก็มาอยู่ที่ด่านวจีสังขารเรียกเรียกว่าสังขารตัวที่สาม หรือบางทีก็เรียกตัวที่สองกายสังขารบจีสังขารจิตสังขารมันเป็นการกรรมกริยาของจิตสังขารทั้งนั้นเพราะจิตสังขารมีคนถามว่าเวลาทํางานเวลาทําอะไรแล้วเนี่ยมีคนซักใช้ไรเดียงกันกันกบพระอระหันต์ต่างๆกับผู้ทีม่มาซักใช้ได้ดยงังอันนี้ทน่นี้วัจีสังขารที่เกิดก่อนหรือจิตสังขารที่เกิดก่อนหรือนึกว่ากายสังขารที่เกิดก่อนเนี่ยท่านผู้รู้ก็จะรู้ว่าอ่าถ้าพฤติกรรมอย่างนี้อ้าวจี สังขารจะเกิดก่อนหรือจิตสังขารจะเกิดก่อนแล้วก็เป็นกายสังขารอะไรต้นตน้นมันก็จะรู้สภาวะนั้นๆๆ้ๆนนั้ น, น, น, น, น, นะแต่ก่อนจะออกมาเป็นวจีกรรมออกมาเป็นกรรมมันตะกรรมเทืกบทก็ออกมาเป็นอาชีพอาชีวะมันจะต้องผ่านวจีสังขารก่อนคนจะรู้จักวจีสังขารอย่างมีปัญญาอย่างมีของจริงอย่างมีสภาวะธรรมนั้น ต้องเรียนรู้สังกัปปะเจดถ้าคุณไม่เข้าใจตักกะวิต ก, กะสังกัปปะอัปนาพยปนาเอเตเจเตโซม่โรปันมิโรปนาและกะวัจจิสังขารซึ่งเป็นองค์ธทรรมของความเป็นฌานหรือความเป็นสมาธิก็ได้ฌานนั้นมีแนวโน้มบอกว่าเป็นตัวกิจกิจของฌานคือกิจรู้กิเลสและทำลายกิเลสฌานต้องมีปัญญา ฌานเรามีปัญญามีปัญญารู้จักกิเลสแล้วก็จะต้องรู้จักระการทำลายกิเลสทำอย่างไรจนทำลายสำเร็จก็เป็นความสำเร็จของฌานเมื่อฌานสั่งสมการกละกิเลสได้ก็สั่งสมลงเป็นจิตสมาธิฌานเป็นตัวปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิเพราะฉะคนที่เข้าใจจิตไม่จริงก็ไปอธิบายสมาธิก่อนฌานก็ผิดนะ สรุปแล้วที่อาตมาอธิบายเจตสิกตัวนี้เนี่ยเป็นกายโยเป็นนามกายเป็นนามกายตัวหนึ่งของที่เรียกว่าเจตสิกนี่แหละเจตสิกตัวที่มีองค์รวมของยานสัมพยุตตังอุเบคาสานคตังและอสังขาริกังอสังขาริกังจะเป็นตัวเข้าใจยากกว่าเพื่อนใช่ไหมมันจะมีตัวเรากับตัวสังขาร ก, การสังขาร การสังการคนอื่นมาเป็นตัวชักชวนมาเป็นตัวยั่วยุมาเป็นตัวประกอบถ้าเราสามารถเอาตัวนั้นมาร่วมด้วยด้วยนะเป็นหมู่เป็นพวกด้วยไปปรุงด้วยกันถ้าเอาเป็นพวกไม่ได้มัดมือมัดเท้าก็นั้นอย่าให้ทำจะให้ทำเท่าไหร่ก็มีอานาจพอที่จะให้มันทำถ้ามันไม่มีไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เรื่องมันทําร้าเสียเราก็ควบคุมได้ไม่ให้มันมาทา แต่เราจะทำเท่าไหร่อยู่หน้าที่ของเราที่จะเป็นผู้ปรุงผู้แต่งผู้จัดการจัดแกงผู้ที่ทำงานเองนี่คือสังขา ร, อ ส, ขา ร, รอสังขาริกังหรือสะสังขาริกังอันนี้เป็นต้นนี่คือองค์ประกอบของขำว่ากา ย, ยูยองค์ประชุมของนา ม, มากายเพราะั่นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนา ม, มากายต่างจากนา ม, มารูปอย่างไร นามารูปรูปแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้และการเป็นรูปนี่คือมันไม่ใช่ตัวรู้แต่มันตัวที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นเวทนานี่เป็นอาการอารมณ์ชนิดหนึ่งถ้าเรามียานอ่านอารมณ์ของเราออกอารมณ์ที่กำลังถูกเราอ่านออกอาการนี้เช่นอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกเราก็รู้อารมณ์ของเราว่าเออมันกำลังอาการอันนี้คือสุข อาการอย่างนี้คือทุกข์พูดอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายนักศึกษาตรวจสอบมีสภาวะอย่างนี้ไหมอารมณ์สุขรู้ไหมรู้จักอารมณ์สุขของตวเองไหมใครอ่านเขาตัวเองออกบ้างนี่ไม่กี่คนใครอ่านไม่ออกยอกมืออย่าอายอ่านมออกย่ามารูอารมณ์สุขของตัวเองเลยหัดเรียนรู้ฝึกให้รู้เวทนาในเวทนา พัดให้รู้อารมณ์หรือความรู้สึกของเราว่าความรู้สึกอย่างนี้มันสุขความรู้สึกนี้มันทุกข์ความรู้สึกนี้มันเฉยๆนี่ต้องรู้เลยว่ามีความต่างกันนะอารมณ์สุขกับอารมณ์ทุกข์นี่ต่างกันความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือรู้สึกเฉยๆนี่ต่างกันนะความต่างนี้ท่านเรียกว่าลิงคะหรือเพศมันต่างกันเพศอุติธีภาวะปุริสภาวะเพศผู้เพศผู้เพศเมียหรือเพศชายเพศหญิง ความต่างของสิ่งต่างๆอาการนี้มันต่างกันนะอาการอิทธิภาวะอย่างนี้เรียกว่าภาวะรูปสองอย่างในรูปยี่สิบสี่เนี่ยมีภาษาทรูปโคจรรูปแล้วก็ภาวะรูปภาวะรูปมีสองอย่างมีอิทธิภาวะกับปุริสภาวะยังไงนึกไปรเรียกว่ า, อ, าอิทธิสินสีกับ บุริษินสีคือกำลังกำลังของภาวะของความเป็นหญิงกำลังของภาวะของความเป็นชายเพราะผู้ที่สู้กำลังความเป็นหญิงอินรีไม่ได้เซตหญิงเลยผู้ที่มีบุริสภาวะแข็งแรงสู้ภาวะของความเป็นหญิง sea, ไ, ได้ผู้ที่มีกำลังแงาาห่ ง, งความเป็นชายไม่พอเซต อิทธิภาวะหรืออิทธิอิทธิอิทธิินซีเซตอิทธิินสีเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสภาวพะเขพลังงานทางจิตจากภาวะอิทธิินซีแล้วจะเป็นชีวิตินรีจะเป็นอะไรอะไปอีกอัตมาจะไม่ขยายไปหารูปยีิบสี่อีกแล้วตอนนี้กำลังสอนปรมัติหรือสอนเรื่องของอภิธรรมขึ้นเยอะละเอียดขึ้น ซึ่งผู้ที่เรียนอภิธรรมนี่น่าจะสนใจศึกษาว่าเออโพธิรักนี่เป็นนักอภิธรรมมาจากสำนักไหนน้องจะเหมือนกับที่เราเรียนมาจากสำนักของเราอย่างหลายค น, นช่ำชองแล้วเก่งเลย อ, อย่างท่านอาจารย์อะไรนะสุจินบรารฐานบรรเถะเนี่น่าจะได้ฟังโพธิรักษ์มัง่งซึ่งมาจากสำนักไรนามสำนักนิรนาม น้าอาจารย์สุจินี์แก่ก็จตมาอายุมา ก, กอ็จมาบรรดายธรรมะม า, มา ก, ก่อนอ็ตมาเยอะน้าบรรยายธรรมะแล้วอัตมายังเป็นคนมายาเมืองมายาอยู่เลยยังอยู่โทรทัศน์เยอะเลยก็ย้ออกมาบวชอาจารย์สุจินเป็นอาจารย์ทางพิธามดังแล้วเสร็จแล้วก็เสียงยังจเอ ย, ยเสียหรือยังไม่รู้ยังอยู่เหรอโอ้โหไม่แน่นะนี่อาจจะ อ่ามอนิเตอร์จะมาอยู่ <c oughs> แต่ดีต่างคนต่างแสดงความเห็นต่างกันเลยเพราะว่าต่างสํานักนี่มันน่าศึกษานะถ้าสํานักเดียวกันมันก็คลายกันตรวจสอบกันเท่านั้นหรือแบ่งแจกกันเท่านั้นแต่สํานักต่างๆสําสนักนี่ยน่าศึกษามีความเห็นต่างแล้วเขาก็ยืนยันของเาา้าว่าของเขาถูกอ่าแล้วก็ดูถ้าใครยึดมั่นถือมั่นก็ยืนยันของตนเองไปถ้าใครไม่ยืนมั่นถือมั่นก็นศึกษาเออของเรามันยังมี แน่ชัดเว้ยยังไม่ดีเท่าเว้ยอันนี้ดีกว่าอัตมาแอบเอาอันนี้อยู่แอบเอาว่าของสำนักไหนมันดีกว่าเราเข้าใจโอ้โ อ, อ้ น, นี้นะเพราะฉะนั้นแอบเอาของใครได้ก็ขอบคุณขอบคุณนะจะคิดคาลิขสิทธิบ้างก็มาอย่าไปดูถูกท่านน่ท่านดีๆก็เพราะว่าอาจารย์สุจินรู้แต่ภาษาออันนั้นเราก็ไป พ, พูดหรอก ใครจะรู้จริงไม่รู้จริงแค่ไหนเราก็เป็นของจริงของคนนั้นเราไม่ต้องไปดูถูกดูแกลนงไปขมก็ทําไมนะท่านก็ศึกษาท่านจะศึกษาแค่ใดท่านจะเปิดจิตแค่ใดก็เป็นเรื่องของท่านส่วนอาตมานะอาตมาว่าอาตมาเป็นคนเปิดจิตไม่ไปดูถูกดูแกลนงใครหรอกแต่ท่านดินดีจะบอกว่าเป็นความจริงก็อาจจะถูกได้แต่การพูดก็คือการสื่อความจริงความจริงนั้นอาจจะผิดก็ได้ก็ระวัง แต่ก็สื่อก็ต้องสื่อคนเราบางทีก็ต้องสื่อความจริงออกบาบ้างผิดทุกมันก็เป็นไปนมันเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะสื่อทุกวันนี้ที่อาตมาพยายามอธิบายาธรรมะรายละเอียดในขั้นอภิธรมรมพวงนี้ยังมีรายละเอียดที่เกี่ยวอาตมายังจําพยัญชนะแม้ติดที่ท่านบัญญัติเอาไว้ในพปฏิธรรมออภิธรรมเก้าคำพีหรือไงนี่มันมีเก้าคำพีหรืไง อาตมายังนึกไม่ออกเลยคำปีที่หนึ่งมีอะไรบ้างคัมปีที่สองจะไม่มีอะไรบ้างก็เก็บละเอียดไปเรื่อยๆเสียอาตมาก็มั่นใจนะคนสู่แดันทำจะมาเก็บอันนี้ไปแก้อีกทีก็เชิญ น, นะเว่ามันดำจังเก่าแล้วนะเอามาตั้งโชว์แล้วก็ดำไปตามเรื่องมาแล้วก็ค่อยๆศึกษากันไปถ้าใครสนใจว่าจะฟังดูสำนักโพธิรักษ์นี่ก็เป็นสำนักที่นิรนามนะซึ่ง อาตมา ก, ก็บอกว่าอาตมาเกิดมาไม่มีสํานักไม่ได้เรียนรู้จากใครเป็นการอวดตัวอวดตนโอ้โหมะมังการอาหังการมากแต่ก็ไม่รู้จะพูดไงเพราะอาตมา ก, ก็พูดความจริงจิตอาหังการมีไหมไม่มีหรอกใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่มีปัญหานะว่าอาตมาไม่มีจิตอาหังการไม่มีจิตมะมังการอะไรหรอกมีแต่จิตปรารถนาดีบอกความจริงสู่ฟัง เขาบอกอวดตัวอวดตนบอกตัวเองไม่ได้อวดบอกความจริงของตัวเองคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้คุณจะรู้ว่าจิตของอาตมาว่าอาตมามีสซซาเทยยจิตซาเทยยะจิตหรือสับโธเนี่ยแปลว่าจิตมันอยากมันมีกิเลสมันมีประกอบไปได้กกิเลนเสนะในภาษาบาลีท่านว่าอะไรก็ไม่รู้ประกอบไปได้กกิเลสเนี่ยเด็กกอยเป็นคนพยัญชนะมาในนี่แหละในพระอภิธรรมนีม่มีมีครบถ้ามีไว้หมดแหละไอ้ที่ประกอบไปได้วยกิเลสกับประกอบ นะสังกิเลสอ่านั่นแหละประกอบเออนี dream, ่จะเก่งมาลลีกับอัตมานะ่เนี่ย อ, อมันเป็นไรก็เป็นผู้ช่วยงี่ช่วยได้เก่งดีนะก็จะประกอบไปด้วยกิเลส ไ, ไม่ประกอบไปด้วยกิเลสขึ้นมาร่วมปรุงต้ ม, มแต่งร้วยก็แล้วแต่คนจะเชื่อไม่เชื่อว่ามีตัวประกอบร่วมนี Officer ่แหละถ้ามีก็คือมีถ้าคุณไม่รู้ว่ากิเลของคุณประกอบร่วมแต่คุณก็บอกว่าคุณไม่เองคุณไม่มี คุณก็คือคุณไม่รู้อ่าน อ, อ่านของตัวเองไม่ออกทั้งๆที่มันมีมันก็เป็นได้ยันเรายังไม่สามารถยั่งรู้ว่ากิเลสของเรามีอยู่ถ้าคุณรู้อยู่ว่ากิเลสคุณมีแต่คุณก็ไปบอกคนอื่นก็ว่าคุณไม่มีกิเลสคนนี้อาบัติแล้วอาบัติโกหกป ร, ปรมัตดแบบนี้ประราชิกการโกหกตัวไอโกหกความจริงของ ธรรมะขั้นขั้นปรมาทัศน์ขั้นจิตเจตสิกรูปนิพานขั้นสูงขั้นนี่มันเป็นขั้นที่ไม่ใช่ภาษาคนสามัญพูดกันใช่มมันเป็นภาษาของนักปฏิบัติธรรมขั้นนามธรรมขั้นสูงขั้นละเอียดนี่ไปโกหกกันนี่ถือมากเลยราคาแพงเพราะนั้นคนธรรมดาโกหกเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกเป็นรัฐมนตรีโกหกเนี่ยราคาแพงมาก ต้องปรับไล่ออกจากหน้าที่อแต่เมืองไทยทุกวันนี้ขณารัฐมนตรีโกหกก็ออกมาบอกโกหกหน้าเฉยแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันมันเสื่อมมากแล้วประเทศไทยนะขออาภัยแว่งไปนู่นเขาอธิบายสัจธรรมให้ฟังไม่จะแว่งไปหรอกขอยาให้ฟังว่าสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมืองไทยมันเสื่อมแค่ไหนจะได้รู้ว่าเมืองไทยนี่ทุกวันนี้มันคออาภัยพูดก็แล้วกัน เพยัางเจะนะวจีสังขารมันบอกแล้วอพูดกันแล้วกันคําคนั้นว่าอะไรเมืองไทยมันหน้าด้านคำมันหน้าด้านบอกก็แล้วกันมันหน้าด้านหนาหนากันมากจริงๆเพราะฉะนั้บอกว่าเมืองไทยไปยากที่มีคนไม่ละอายต่อบาปต่อบุญไม่ละอายต่อความชั่วความเลวความผิดอย่างดันทุรังที่จะเป็นคนผิดคนทําไปไม่เปลี่ยนแปลงไม่ให้คนอื่นที่ดีกว่ามาทําำ ยังจิตมั่นถือมั่นหรือว่าอย่างจะดันทุรังนะถ้าคนอื่นเขาให้ทําต่อเออก็แล้วไปเราก็ทําต่อนี่คนอื่นก็จะให้ออกกูก็ไม่ออกวะเขาจะให้เลื่องอะไรจะไม่เรียกนาดานเนอเจะอนะย่างนี้มันก็ไม่ดีนะอ้าวก็แวะให้บรรู้ความหยาบนี่เป็นเรื่องของความหยาบที่มีมีอยู่ในตัวบุคคลเข้ามาถึงความละเอียดด้านจิตเจตะเสกอีกทีนะ มาที่นี่เรามาแสดงธรรมอยู่บนที่สูงต้องแสดงธรรมสูงๆนะวันนี้มันแสดงธรรมอยู่บนยอดเขาเนี่ยนะเพราะงั้นเราก็จะต้องพยายามพูดในสิ่งที่มันสูงๆหน่อย mm hmm. ในมลาะสงครนี่แหละนะคำว่ากลับไปสูงในที่ที่เลื่อนลงไปที่ในความหมายตน้นคขหมายต้นคือคำว่ารูปวานาม ว่ากายรูปหรือนามหรือ ก, กายสามคำที่อาตมาเคยตั้งต้นมาแล้วแล้วก็ขยายความมาเรื่อยๆคำว่ารูปคือสิ่งที่มันเป็นตัวของมันเองที่เป็นลักษณะหนึ่งมันเป็นมหาภูตรูปสองที่เรียกว่ารูปอยู่มันก็คือรูปที่มันเชื่อมต่อมาจากมหาภูตตรูปเรียกว่าอุปาทายารูป อุปาทายิรูปในเริ่มต้นจากรูปข้างนอกที่เป็นดินน้ำไฟลมแท้ๆที่ไม่มีธาตุรู้เลยเป็นอุตุนิยามแม้ที่สุดมาเป็นพีชะนิยามพีชนะนิยามนี่มีชีวะแล้วชีวะนี่คือจะต้องประกอบไปด้วยธาตุที่มันมีบทบาทเป็นอัตโนมัติคือมันมีสัญญาของมันเองมันมีสังขารของมันเองแต่สัญญาก็สังขารมันทํางานได้ ถึงยังไงยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะมีอาการถึงเวทนาหรืออาการถึงขั้นเรียกได้ว่าวิญญาณในนา ม, มขันสีลเนี่ยเอาเป็นเครื่องตัดสินว่าจะอยู่ในเขตพีชะหรือเขตจิตพีชาก็ชีวะในระดับหนึ่งต้นหมากรากไม้หรือเป็นสัตว์ ชนิดต้นๆสัตว์เซลล์เดียวสัตว์สองเชนสามเซลล์เฉยๆเนี่ยยังไม่อินโออินเนีอะไรหรอกเออพวกอจุลินทรีย์ขั้นเละจนเพิ่มเริ่มต้นเซลล์ต้นๆอ่าได้แต่สัญญากับสังขารยังไม่มีอารมณ์ยังไม่มีความรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขอะไรยังไม่มีเพราะฉะนั้น เวทนาสัญญาสังขารขนาดนี้เวทนาเองไม่มีคุณสมบัติมันมีแต่สังขารกับสัญญาเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นยังยังไม่ครบเจตสิกสามเวทนายังไม่มีบทบาทจึงไม่เต็มแต่งที่จะเรียกมันว่าวิญญาณเพราะยานพลังงานระดับที่ยังไม่ใช่วิญญาณนี่จึงว่าเป็นระดับสังขารการปรุงแต่งเหมือนกันมันปรุงแต่งด้วยสัญญาของมันอย่างนี้เอาอย่างนี้ไม่เอาต้นไม้มันรู้นะ อย่างนี้เอายนี้ไม่เอาไม่เอามันเอาออกเท่าที่มันจะพยายามมีพลังงานของมันที่จะเอาออกได้ขับได้ขับไม่ได้มันก็แพ้พลังงานอันนั้นมันจะเข้ามาแทรกตัวในตัวของสังขารพืชตัวเนี้เพราะฉะนั้นมันก็สู้ไม่ได้มันก็ตายถ้ามันสู้ได้มันขับออกได้มันก็ทนมันก็อยู่ได้ชนะอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นภาวะของการปรุงแต่งของทุกอย่างในพลังงาน ทีนี้อัตโนมัติของมันมันก็ทำของมันเองจัดการเป็นพลังงานในตัวของมันเองทํานี่คืออุตุนิยาง ก, ก, ก็ปรุงโจนของมันเองยิ่งกว่ามันยังไม่เป็นชีวะจะเป็นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าเก่งแค่ไหนอย่างพลังงานในพระอาทิตย์เนี่ยในพระอาทิตย์ยังไม่เกิดชีวะได้เลยนในพระอาทิตย์นี่ชีวะเกิดไม่ได้ พลังงานต่างๆมันสูงมันแรงมันจัดมันจ้านเกินไปนะเป็นพลังงานต่างอุณหะอุณหภาติที่จัดจ้ารุนแรงมากนะเพราะฉะนั้นพลังงานเหล่านั้นจนกว่ามันจะเย็นจนกว่ามันจะมีพลังงานของธาตุอาโปทธาตุไายโยธาตเุเตโชอะไรที่จะเข้าไปร่วมทำงานด้วยได้ ปรุงแต่งกันได้สังเคราะห์กันได้จึงจะเกิดเป็นาธาตุปัตวีขึ้นน ะ, ะจะเกิดปัตตวีขึ้นมาอีกทีหนึ่งหรือปัตตวีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาเป็นสภาพปัตตวีาธาตุดินเป็นก้อนเป็นแทน่นและ้ะรวมตัวกันอยู่อะไรพวกนี้ซึ่งมีพลังงานของเตโชมีพลังงานของอาโปเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวอะไรอยู่แต่ถึงอย่างนั้น มันก็ยังมีลักษณะที่มีพลังงานแทรกอยู่ในทั้งหมดนั้นเรียกว่าวายโอแทรกอยู่ในนั้นจะละเอียดมากแทรกเป็นตัวเชื่อมอยู่ในไอตัวปฐวีเนี่ยเป็นตัวธาตุกรอนเนี่ยทีนี้แม่ที่สุดที่มันเป็นตัวเชื่อมอยู่อย่างนั้นนะในตัววายโอเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่เล็กกว่า น, นั้นอีก ช่องว่างเรียกว่าอากาศอากาศสายอีกอากาศสาัทธที่เป็นช่องว่างอยู่ในปฏวีนี้อีกแทรกตัวอยู่ในปฏวีนี้อีกนี่เป็นต้นพวกนี้ก็ลึก <c oughs> อรรมาก็าอธิบายพวกนี้จากรูปจากนามพวกนี้เข้าไปอีกให้ฟังนะ เพราะผู้ที่ศึกษาปรมาทหรือศึกษาอภิธรรมตั้งใจฟังดีๆเราจะได้รับความรู้ลึกซึ้งขึ้นเท่าที่อาตมามีภูมิได้แสรงก็ตอนนั้นนะอาจจะผิดจะถูกอะไรอาตมากรบผิจาอณอาตมาส่วนเจ้าส่วนสำนักไหนที่เป็นสิทธิสำนักไหนที่ฟังยอดอภิธรรมเหมือนกันก็ฟังดูผิดถูกยังไงก็คุยกันศึกษากันอ ะ, อะไรที่พอแลกเปลี่ยนกันได้อาตมาก็แลกเปลี่ยนอาตมาเห็นด้วยเอาด้วย อาตมาไม่เห็นด้วยอาตมาไม่เอาอาตมาจะยืนมั่นถือมั่นก็เป็นเรื่องของอาตมาอใครบังคับอาตมาไม่ได้เราอาตมาจะยืดอันนี้อาตมาอันนี้อันนี้อาตมาถูกอาตมาฟังของคุณแล้วอาตมาก็ยังไม่ไม่เชื่ออาตมาก็ต้องเชื่ออดีอาตมาเชื่อเนี่ยมันก็เป็นสัจจะของมันไปเอะบางคนที่จะติดยึดตัวเองไม่ยอมฟังใครเลยของกูคนเดียวคุณก็เป็นพระพุทธเจ้าซะที่จริงพระพุทธเจ้าท่านฟังนะ แล้วท่าจะรู้หมดเลยว่าใครผิดถูกอะไรจะไรพระพุทธศาก็หัดเป็นอย่างนั้น่ะหัดเป็นคนต้องฟังคนอื่นให้หมดแล้วจะรู้หมดเลยแล้วจะไม่ปฏิเสธของใครถ้าจริงๆต้องดูสภาวะจริงแล้วว่าของเขาถูกจริงๆนะต้องยอมรับนี่ก็เรียกว่าผู้ไ ม, ม่มีอัตตาตัวตนเขาถูกจริงๆเอถ้าเขาผิดก็คือผิดเขาถูกก็คือถูกแต่เราก็จะไม่ไปลงโทษเขาเพราะว่าเขาเขารู้ไม่ได้เขาก็ต้องรู้ยึดอันที่ผิด เป็นถูกเขายึดอยู่เขาไม่รู้เราก็ต้องทงสารก็ไม่จะคนเราจะเป็นดูถูกดูแกลงก็ไปย่าไปยีเขาช่วยเขารู้มาสิถ้าก็รู้ไม่ได้ก็เออแล้วไปะเราจะไปบอกว่าเขาไม่รู้เขาโกรธเอาก็อย่าไปยดุเขามากอย่าไปว่าเขามากเขาโกรธมันไม่ดีเขาโกรธมันเป็นเรื่องกิเลสของเขาแล้วมันช่วยเข้าอย่าไปทําให้ใครเขาช่วยอย่าไปทําให้เขาเสียหาย นี่เป็นความเข้าใจของพระโพธิสัตว์แล้วก็พยายามปฏิบัติอย่างนี้ไม่ไปทาร้ายใครไม่พยายามเกื้อกูลคนคนจะร้ายจะเลวแค่ไหนก็ก็มันเป็นความร้ายของเขาอยู่แล้วเราจะไปกระหน่ำย่ายีเขาเติมอีกทำไมช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็วางเฉยจบนะช่วยใครช่วยมันดีใครดีมันจบแต่เรย่องสุดยอดการจบไม่ต้องช่วยไม่ต้องทำอะไรเขาใหไเขาเป็นไปเอง ท่านเรียลกละการลงโทษอะไ น, นี้สูงสุดในพระโพธิสัตว์หรือพระอริยะสูงสุดจะลงโทษคนตรงตรงนี้ตรงที่ผมมาทำปล่อยเขาก็าจะดีจะชั่วก็สุดอิสัยแล้วมันชั่วไม่ได้เขาถือดีถือตัวเขาไม่เชิงไม่ฟังเขาไม่เอาแล้วเขาเอาของเขาเขาเอาของคนอื่นของเราเขาไม่เอาแล้วเราก็ต้องรู้เขาไม่เอาแล้วขเขาก็ไม่เอาแล้วไม่ต้องประยัดแย่เขาหรอกนะของเราถ้าดีก็มีคนมาเอาเอง ถ้าไม่ดีก็เน่าเหม็นอยู่ตรงนี้แหละเพราะน้องของเราพยายามทําสิ่งที่ดีไปแล้วถ้ามันดีจริงแล้วมันไม่มีเน่ามันไม่ีเหม็นเนาะเราให้อะไคออกไปใครไม่เอาก็ไม่เป็นไรมันไม่เน่าไม่เหม็นเอมันก็เหลืออยู่คนอื่นก็มาเอาไปเองมันไม่เสียหายอะไรในสังคมกว้างบางสังคมหยาบบางทุกวันนี้เนี่ย โลกทั้งโลกเนี่ยต้องการสัจธรรมดังที่อาตมาว่าเนี่ยสัจธรรมที่พระเจ้าทั้งคนพบเนี่ยเป็นสัจธรรมที่รวมหมดแล้วในความเป็นมนุษย์กับความเป็นสังคมความเป็นมนุษย์ก็คือส่วนตัวแต่ละบุคคลความเป็นสังคมก็คือรวมมวลของมนุษย์เข้ามารวมกันกลุ่มเล็กก็เป็นมวลเล็กกลุ่มใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นถ้ากลุ่มทั้งโลกเลยมันก็คือรวมทั้งหมด ซึ่งทำไม่ได้จะให้ใครจะ ม, มีมีสิทธิ์ทำให้คนทั้งโลกมารวมตัวกันให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันทำไม่ไดนะ้ทำได้โดยให้เขารู้ตัวเขาเองอย่างพวกคุณเนี่ยอัตมาทําให้คุณรู้ตัวคุณเองคุณรู้ตัวว่าตัวคุณเองเป็นอย่างนี้เออเอาอย่างงี้ถ้าใครมีอย่างนี้น่าจะอยู่รวมกันกับคนที่มีอย่างนี้ คุณเป็นคนรู้เองแล้วคนก็คุณเลือกเองเพราะคุณจะมาเอาอันนี้ที่นี่เออคนพวกนี้ก็เอาอย่างนี้เออเราเอาด้วยเรามาอยู่ด้วยคุณก็เลือกของคุณเองมาเอาเออแล้วคุณก็อยู่ร่วมกันไปเพราะฉะนั้นไม่ได้ปะบังคับใครใครจะมาร่วมก็ชาวโศกคุณมาเองคุณจะไปก็ไปของคุณเองอะหรือคุณมาอยู่ที่นี่เขามีกฎมีเกณฑ์มีมีสิ่งที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ของที่นี่ ถ้าหลักเกณฑ์นี้คุณผิดมากจนกระตั้งหยาเพิ่มไปเขาก็มีมติให้คุณออกถ้าในหมู่นี้บงังคับให้คุณออกไม่ได้ก็ไปอาศัยอำนาจโลกอำนาจส่วนใหญ่ซึ่กฎหมายก็มีอยู่แล้วว่านี่มารังควานมาเบียดเบียนเขาเขาไม่อยากคุณอยู่ก็ถือมาบุกรุกกฎหมายก็มีทุกประเทศเหมือนกันมาบุกรุกเขาก็าว่าเอาคุณไม่ใช่คนส่วนนี้แล้วคุณจะอยู่ส่วนนี้เขาก็มีกฎมีเกณฑ์ของเขา คุณทำไม่ได้ปุกฎเกณฑ์เนี่ยทุกคนก็ถืออันนี้เป็นกฎเกณฑ์นะหมูเนี่ยเขามีสิทธิจะมีกฎเกณฑ์แม้จะเป็นกลุ่มน้อยม minority right เขามีสิทธิสิ่งของคนกลุ่มน้อยเนี่ยก็ต้องให้เขานะและไอ้ที่เขามีกฎเกณฑ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ไปทําลายใครมันไม่ไปพิษภัยแก่ใครนะกฎเกณฑ์อย่างนี้เนี่ยเช่นยกตัวอย่างพวกนี้เนี่ยเขาไม่กินเนื้อสัตว์ เขาคนที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์ในกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ ไ, ไปทําลายใครนะไม่ทําลายแม้แต่สัตว์เลยเพราะฉะนั้นคนก็คือสัตว์โลกชนิดหนึ่งก็แน่นอนไว้ใจเขาได้เลยในพวกนี้ไม่ทําลายคนหรอกเพราะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขายังไม่ทําลายเลยเพราะคนนี้พวกนี้มโนธรรมที่ไร้ให้สิทธิเขาเขาถูกต้องแล้วไร้เขาถูกต้องแล้วให้สิทธิเขาเพราะเขาผู้มีปัญญาจะไม่ไปรานคนที่มี จุดมุ่งหมายมีพฤติกรรมอย่างนี้นี่คือมินอริตีไรท์ที่มนุษยชาติทั้งโลกก็ยอมรับกันอยู่เอาละกฎของโลกมันอาจจะฝืนกฎของโลกนะกฎของโลกไม่มีมมนี่ประเทศนี้ไม่ได้ออกกฎหมายว่าห้ามกินเนื้อสัตว์คุณกินได้กินได้แต่อย่ามากินในหมูน่นี้หมู่นี้ก็มีถ้าคุณจะกินคุณก็ไปกินนอกนี้ถ้ามากินในนี้ถือว่ารุกราน ถือว่าทาความไม่สงบให้แกมูนี้ผู้ดูแลกฎคนคุ้มกฎที่ใหญ่คุณต้องช่วยมิน ORITY ไรท์พวกนี้อย่างนี้ก็เป็นสากลของหลักนิติศาสตร์นิติธรรมอย่างนี้เป็นต้นเพราะคนศึกษากฎหมายก็ต้องรู้นิติธรรมอย่างนี้ก็ต้องช่วยคุ้มครองมิน ORITY ไรท์เป็นสิทธิของเขาเขาทาอย่างนี้เขาไม่ได้ลุกรานใคร เป็นคุณค่าประโยชน์ให้สังคมส่วนใหญ่หรือซ้ําเช่นพวกนี้ไม่มีอบายมุกนี่เราเอาของประสคนมาอธิบายเลยนะพวกนี้ไม่มีอบายมุกเขาไม่ได้ไปรัรานใครนะก็ไม่ได้ไปแย่งชิงใครด้วยอบายมุกคนที่เขาดังด้วยอบายมุกคนนี้บายแล้วแต่คุณดังไปเถอะอบายมุกท่นไม่ไปแข่งเช่นคุณดังพราะคุณเต้นเก่ง รำเก่งฉันก็ไม่ไปแย่งงานคุณคุณก็เล่นคุณก็รำไปสิเรารู้ว่ารำนะก็ถ่านั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนยังฟอ้อนยังรำคือคนบ้าเราเลิกบ้าแล้วคุยังฟอ้อนยังรำอยู่คือคนบ้าหรือคนยังร้องเพลงอยู่เนี่ยท่านบอกเหมือนเด็กๆคนร้องไห้อ่าคนร้องเพลงเหมือนเด็กๆเกาอาแต่ร้องไห้ คนร้องเพลงเขาต้องเขาไอเด็กร้องไห้างแล้วถือสาวทำไมล่ะหรือคนได้ร้องรำอยู่ไปเถอดคนบ้าขอภายในนี้ผู้สักดิ์จะทำสู่ฟังอัตมาของพระรู้เจ้ามาพูดนั้นไม่ได้อัตมาพูดเองนะถ้าจะโทษอาจารไปโทษนดี๋ยวจะหาอัตมาไปบ่าวบูชาไปโทษบู้าก็คําสอนพระเจ้าว่างั้นจริงๆแล้วอัตมาก็เห็นจริงแต่อัตมาก็อย่าร้องเพลง ในตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่ร้องแล้วล่ะเพราะว่าพอละจุดละอาตมาพยายามที่จะทำเพลงเพื่อให้มันเป็นเพลงที่เป็นธรรมะก็ะเป็นโรกุตระก็ทำไปพอสมควรแล้วออกอัรบั้มมาถึงเก้าอารบัมพอแล้วมันไม่ออกไปอัรบั้มที่สิบมันได้แค่อะร้องที่เก้าก็พอแล้วหมดน้ำยาหมดแรงและปรุงแต่งตัวนี้ก็พอแล้วก็ทาไว ก็เลยพอได้ใช้อยู่เนี่ยสถานีเอฟเอมทีวีดีนะอาตมาทําเพลงทําทั้งไหม่นะทั้งทั้งเพลงร้องอะไรเอาไว้ให้ได้ร้องได้ใช้ถ้าไม่งั้นนี่โอ้โหไม่มีตังไปซื้อลิขสิทธิ์ไปเสียลิขสิทธิ์ของคนอื่นก็มาใช้นะเนี่ยนี่ยังมีบุญที่ว่าทำเอาไว้พอสมควรของเก่าของใหม่มั่งก็เลยพอได้ใช้โดยพอถูกถ่ายเทสแล้วก็มีคนมาเชื่อมต่อคณะวงคารวาส์มั่งพวกเอกชนเอกปีกย่อยมั่งมีนักแต่งเสริมสารมารวมตัวกันเลย ไม่คิดราคาลิขสิทธิ์ก็เลยพอได้ใช้ในเอเอ็มเนี่ยนะมีนักแต่งเพลงสินสร้างมั่งส่ดแด น, นทำมั่งนะเกียรติพงษ์มั่งอะไรงนี้ว่ากันไปโอ้โหก็เลยพอเป็นพอไปนะหรือบางท่านบางคนนักแต่งเพลงข้างนอกเขาอนุญาตบอกเลยอโศกจะเอาไปร้องอีกเท่าไหร่มีหลายคนเพลงของเขาอโศก็ไม่ใช้ได้เลยไม่ติดใจเลยถือเป็นเกียรติโดยซ้า นี่เราก็ขอบคุณแล้เอามาใช้ถ้าเราไม่ได้เอามาค้ามาขายแล้ว เ, เอามาเป็นเหตุปัจจัยในการที่จะปรุงแต่งโลกมันยังต้องเอาใช้เสียงเพลงต้องเอาใช้น้ํากระใสพวกนี้ประกอบบ้างถ้ามีไม่น้ํากระใสมันกินไม่ลงก็จําเป็นต้องใช้กระใสพวกนี้ประกอบไปตามควรศิลปินจะรู้สิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นสุนทรียสินเอามาประกอบสารสินก็ปรุงแต่งให้ได้สัดส่วน แล้วก็ทําออกไปเพื่อให้คนรับได้ก็เป็นคนจัดจัดองค์ประกอบนี้ให้ได้เรียกว่าจัด composition ของมันให้มันได้สัดได้ส่วนที่พอเหมาะเพื่อเป็นองค์นําสื่อนําไปสู่จุดที่เราต้องการเรียกว่า entry point เป็นคนไวเยนส์นำไปสู่จุดที่หมายที่เราต้องการได้ถ้าสามารถทําอย่างนี้ได้คนนี้ก็ทํางานมีผลสําเร็จเป็นผู้ที่มีฝีมือในการค o m โพ s ในการจัดคอมโพสิชันที่มันได้สัดส่วนมีริดแรงที่มีอำนาจเรียกว่าเทรนหรืออินเทรนหรือคอมโพสโนมแนวโน้มพาไปสู่อินเทรสพอยต์โนมไปสู่จุดมุ่งหมายได้ซึ่งทุกคนเพราะเรามีสมาธิทิิทิคือเป้าหมายอุดมการอุดมทิิจุดหมายล้วเราจะไปตรงไหน ในความหมายของกายโยเขา อ, องรวมของความหมายที่จะไปสู่จุดนั่นคืออะไรทุกคนพอเข้าใจแล้วตามมารมีตามฐานะท้านานุฐานะของคนที่ศึกษาแล้วก็ตนเองก็ทำไม่ได้เป็นสัตบุรุษไปตามลาดับสูงขึ้นไปจัดการไปเพราะโลกทั้งโลกทุกวันนี้เนี่ยมีปัญญาเข้าใจแล้วว่าสูงสุดนั่นคือหมดตั ว, ห ม, ตวหมดตน สูงสุดคือไม่เป็นตัวเป็นตนของตนเองให้มวลนั้นน่ะมาเป็นผู้ตัดสินจะยกตัวเราเนี่ยว่าเป็นอัตตาเต้ยเป็นตัวใหญ่เป็นตัวที่ยกยอดช้สูงส่งก็เพราะคุณเป็นคนไม่มีตัวตนคนไม่ยึดตัวตนคนเคารพคนอื่นแล้วก็อาศัยคนอื่นมาแล้วก็เป็นผู้จัดสรรถ้ายกให้คุณเป็นผู้วินิจฉัย คุก็จะเอาอินิช้ของความรู้ของคนความสามารถของคนเข้ามาบวกลบคูณหารแล้วก็ตัดสินเอาอันนี้แค่นี้เอาเท่านี้เอาของคนนี้มาร่วมคนนี้เอาไว้ก่อนคนนี้คนนี้นั่นคือผู้บริหารเป็นนายกอย่าไปอ่านว่านายกนะถ้านายกนี่ผู้หญิงเป็นไม่ได้นะถ้าอ่านว่านายกนี่ผู้หญิงเป็นไม่ไดนะ้นายคือผู้ชายใช่ไหม มาจากภาษาบาลีนายกะเป็นผู้ใหญ่สูงสุดนายกเพราะเดไปอ่านนายกต้องอ่านนายกะแต่ทีนี้ไทยเราไม่เรียกเนจิกเราเรียกยกเลยก็ต้องอ่านนายกจะไปอ่านนายกถ้าไปอ่านนายกแล้วนี่ต้องเอาปูออกเพราะปูมเป็นผู้อีกนะเาไม่มีนางก นางงกไม่มีไม่แต่นายกนางงกไม่เคยมีในสาธระบบมนุษย์ชาติสาธาระบบมนุษชาติมีแต่นายกนางงกไม่มีมันเป็นไม่ได้แต่ที่เป็นได้เพราะเป็นนายกไม่ใช่นางงกเพราะท่านเป็นเป็นนางอ่ะแต่ท่านจะบอกว่าถ้าไม่เป็นนางถ้าเป็นนางสาวท่านเพียงแค่มีลูกเองเท่านั้นเองท่านเป็นนางสาวท่านแค่มีลูกเองไม่ได้เป็นนางถ้าเป็นนางสาว ก็ว่าไปทุกวันนี้คนสแสวงหาจุดสูงสุดอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นมาหมดแล้วจากกัปตันก็เป็นมาผู้บริหารก็เป็นมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติขออะไรถ้าอาตมาจะพูดว่าอาตมาก็เป็นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์เป็นอะไรก็ผ่านมาเป็นคนรวยคือในสังคมโลกนี่มันจะมีหนึ่งผู้มีอํานาจสองผู้มีศรัพย์ เพราะจะเป็นเศรษฐีใหญ่ของแคว้นมันก็เปลี่ยนได้เศรษฐีที่ยกย่องเศรษฐีสุดจริตรวยที่สุดในในแคว้นในประเทศกับเป็นผู้มีอำนาจบริหารไม่ต้องรวยแล้วทุกคนเป็นไม้เป็นมือทุกคนเป็นลูกน้องทุกคนทำงานร่วมไม้ร่วมมือมีบริวารมีบริมีผู้ที่ร่วมมือร่ ว, วมทางานร่วม ยิ่งคนทำงานร่วมนั้นเป็นคนทำงานถวายหัวเลยเพราะเชื่อมั่นว่าพวกนี้ทำงานเพื่อประชาชนทำงานเพื่อส่วนรวมท่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยถ้านไม่ต้องการลาบยอสันเซอร์โรกีสุงตั้งแตเป็นผู้๋มมากน้อยสันโดษชีวิตเลี้ยงไวน้นิดนิด น, น้อยเองไม่สับไม่สมไม่ก่อมไม่โกนไม่เปลืองไม่พลานเลี้ยงไว้ราคาถูกถูก มีสาระที่แข็งแรงสาระที่สมบูรณ์สาระที่ดีก็พอแล้วแล้วท่านก็ทํางานอย่างสะดวกเราก็เกื้อกูลเรามีหน้าที่ดูแลองค์ประกอบวัตถุก็เอามีวัตถุเราหน้าที่แบกก็แบกเราไม่หน้าที่หามก็หามเรามีหน้าที่รักษารักษาอย่าไปให้ตารักษาท่านมีหน้าที่ที่จะดูแลจัดการพวกนั้นท่านมไม่สะสมไม่กอบไม่โกยไม่ถืออะไรแล้วคุณมีหน้าที่ถือรักษาก็แล้วก็ท่านต้องการก็ยื่นให้เลยท่านไม่ยินเลย ความรู้แบบนี้มันเข้าใจกันสูงขึ้นแล้วเป็นความรู้ที่มนุษย์ศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติอย่างนี้มาไม่รู้กี่ชาติยังอาตมาก็ปฏิบตัตมาที่เอามาพูดนี่กระจกที่ตัวเองผ่านมามีประสบการณ์มาแต่ละชาติแต่ละชาติแลเอามาพูดเนี่ยแล้วเราไม่ติดจีตเราว่าจะต้องไปเป็นผู้บริหารจะต้องไปเป็นนายคนเขาเจะยกให้เองว่าเราเป็นนาย โดยเราไม่ต้องยกอพือว่าเราเป็นนายนายในภาษาไทยก็คือนายกันนั่นเองผู้เป็นใหญ่นายกมาเรียกไทยๆก็เป็นกะนี่คือเป็นคำเป็นตัวปัจจัยที่ขยายคำว่านายกกะเนี่ยขยายนายะอีกที เอาละพอไปได้จะไปขยายพยันชนะไปขยายวยายกร อ, อีกหนักไปนะเพราะงั้นในสังคมโลกทุกสังคมเนี่ยจะศึกษาความรู้รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์หรือว่าภาษาศาสตร์อะไรศสตร์ศาสตร์ศาสตร์ก็แล้วแต่เถอะก็คือความรู้ที่จะเอามาใช้กับมนุษย์และสังคมทั้งสิ้น พระเจ้าถึงอาตมาสรุปลงไปแล้ว่าท่านศึกษาแต่ความเป็นมนุษย์กับสังคมอาตมาก็เหมือนกันจนมาถึงทุกวันนี้อาตมามีความรู้มนุษย์กับสังคมนี่แหละสูงสุดแล้วก็เอามาใช้งานอยู่ทุกวันนี้ก็คือความรู้ที่ความรู้ของมนุษย์กับสังคมแล้วก็ทํางานกับมนุษย์กับสังคมให้ได้สัดส่วนที่ดีนะเพราะเราจะสามารถรับได้ต่ออะไรต่ออะไรคนสามารถที่จะ รู้เองอย่างคนทุกๆคนในประเทศไทยหรือเมืองนอกก็ตามอาตมาจะไม่พูดถึงเมืองนอกเอาบริบทแค่ประเทศไทยคนในเมืองไทยเนี่ยคนรู้จักอาตมาศึกษาอาตมาว่าอาตมาเป็นใครมามีบทบาทอะไรในสังคมตั้งแต่สังคมกลุ่มเล็กจนกระทั่งสังคมกลุ่มตอนนี้อาตมาก็บังอาจเอื้อมเอื้อกเกื้อกว้วงเข้าไปกับสังคมไปทํางานร่วมกับสังคม ในด้านทําข้างในจริงตั้งแต่กสิกรรมและงานส่วนใหนเป็นงานสร้างสร้นผลิต น, นั้นผลิตอ น, นี้อะไรก็แล้วแต่ผลิตนั่นผลิตนี่เล็กๆน้อยๆที่จะอาศัยใช้สอยกินใช้ที่เป็นของสําคัญเป็นความสําคัญในชีวิตที่จะต้องเป็นปัจจัยก็ช่วยกันทําสร้างกันมาพอกินพอใช้พอเลี้ยงตนแม้จะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องซื้อต้องหาต้องจ่ายซับไฟฟ้าปั่นเองไม่ได้เป็นต้น หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เครื่องมือเครื่องใช้ดั้งเดสปผิตเองไม่ได้ผลิตหลอดไฟฟ้าไม่ได้ผลิตเครื่องมาเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆไม่ได้ก็ต้องซื้อเขาก็ซื้อมาใช้ตามความจําเป็นแล้วก็ทํางานอุปกรณ์พวกนี้เราเอามาใช้งานเนี่ยมันก็มีแฝงกันว่าเป็นพลังงานที่คุณจะใช้แล้วทํางานเป็นค่าของงานผลผลิตหรือแรงงานออกไปแล้ว คุณไปเอาใช้ค่าเอาค่าแรงงานเอาเปรียบคนไหมเอาผลผลิตนั้นไปให้คนอื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกลับมาคุณเอาเกินควรไหมถ้าคุณเอาต่ํากว่าทุนด้วยแรงงานก็เอาต่ำกว่าค่าที่ควรเช่นอาตมาควรจะมีค่าแรงงานวันละห้าพันบาทห้าพันบาทตอนอินเศรียศาสตร์เศรษฐกิจไทยเนี่ยถูกนะคนทุกคนนี้นี่คนอยู่ตําแหน่งสูงสุดนี่ เฉลี่ยที่วัลพันเอ้ไม่ใช่วัลพันวันหนึ่งเขาได้วัลกีพันกี่หมื่นกี่แสนรู้ไหมคนที่มีค่าตัวหรือราคาค่าตัวเขาสักคุทุกวันเนี่ยเอาอัตราทางราชการราชการคนเงินเดือนสูงสุดขณะนี้เนี่ยเท่าไหร่ใครรู้บ้างสูงสุดเราจะเอานายกเป็นเป็น ตำแหน่งของราชการก็ได้นายกก็ทุกวันนี้ก็ได้เท่าไหร่แสนกว่าแสนกว่าเองเอาสามสิบนที่วันเท่าไหร่เอาแสนห้าเอสามสิบหานง่ายหน่อยวันละเท่าไหร่วันห้าพัน 5, เองเหรอเอาอาตมาขออภัย บางอาจที่ยกฐานะาทานายนายกอาตมาก็วัละห้าพันก็ได้อาตมามีราคาห้าพันวัละห้าพันถ้าอาตมานี้ค่าแรงงานค่าความรู้ค่า a t i v i s t ก็ a c t i v i t ของอาตมาที่กระทาวันนี้ที่อาตมาทำออกไปอยู่นี้เป็นปฏิกิริยาที่อาตมาแสดงออกไปเนี่ย อาตมาก็เป็นแอคทีฟิสต์ของสังคมคนหนึ่งเพราะอาตมาไม่ได้มาทํางานทํางานอยู่แต่ส่วนในเขาเราเท่านั้นอาตมาก็ทํามีผลที่จะกระจายไปสู่เป็นประโยชน์แก่คนข้างนอกอยู่ไม่ใช่ว่าเท่าทํางานแล้วไม่จะเป็นประโยชน์ขอขยายความตัวคําว่าประโยชน์นี่สักนิดหนึ่งนะจะเข้าใจเช่นเราสร้างวัตถุนี้เนี่ย เราสร้างมาราคาทุนมันคิดทั้งหมดอาตมาไม่ขยายความแล้วว่าทุนมีอะไรบ้างคุณบอกลบคุณหารทุนมันลสมมุติว่ามันพันหนึ่งราคาทุนมันคิดอย่างบริสุทธิ์แล้วแม้แต่เออเร์เอรว่าแม่อะไรว่าไม่ออกมันอาจจะตกหล่นอะไรคุณก็บวกว่าสปเซ็ห้าเปอร์เ็อะไรของคุณก็ตามวิธีคิดทุนเขาจะคิดอย่างเนี้ยทุนนิยมมันไม่ยอมเสียแม้แต่ขี้แห้งมันก็ไม่ยอมเสีย เก็บหมดเลยทุกเม็ดแต่ยังไม่พอสงสัยมันจะมีอะไรตรกหล่นดีกว่าเออเรอบวกไว้าักสองรเซนขี้เหนียวเรือหายเลยไม่ยอมกระเซ็นเสียอะไรให้แก่ใครเลยวิธีคิดกองทุนนิยมเนี่ยบ้าเลือดเอาละมีวิจารณ์เขาแล้วด่าเขาแล้วด่าวิธีคิดกองทุนนิยมนี่และความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่ยอมเสียเสีสะส เมื่อสมมุติว่านี่คิดทุนแล้วพันหนึ่งคุณจะให้เข้าไปถ้าคุณคิดพันหนึ่งนี่คุณไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรเลยผลงานนั้คุณไม่มีค่าสักแต่นิดเลยคุณพันหนคุณก็เอาคืนพันหนึ่งมาหมดเจ้าถ้าคุณไปเอาเกินพันเท่าไหร่ก็แล้วแต่เกินพันมาคุณไม่มีค่าเลยคุณไปละเมิดคุณไปเอาเปรียบ ชนคนอื่นมาให้แก่ตัวเองเป็นคนไร้ค่าแม้แต่มันเจ้ามันก็ไร้ค่าแล้วนั่นยิ่งไปบวกที่โลกทุนนิยมเรียกว่ากําไรนะบวกเกินทุนนะะความคิดเช่นนี้เป็นความคิดขอภัยเลวเพราะไปเอาเอาของคนอื่นเป็นอัตินาทานไปเอาของที่ไม่ใช่ของเราถ้าเขาให้ก็แล้วไป เขาก็ยอมจำนวนมันก็หาวิธีการเล่นเให้เขาจำนนเพื่อจะให้จำนวนไอ้ น, นี่จะละเอียดขึ้นไปอีกอธิบายความจำนวนอันนี้อย่าพึง อ, อธิบายเลยอธิบายประเด็นของเศรษฐศาสตร์บทนี้ก่อนมแล้วกันวันนี้คุณเอาเกินทุนนิดชั่วแล้วเพราะยังคนใดสามารถที่จะทำงานแล้วผลผลิตนี้พันหนึ่งคุณขายต่ำกว่าพันได้คนนั้นแหละคือ คนบุญนิยมจำระกิเลสเป็นคนเสียสละขายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคุณดีคุณค่าหนึ่งสิบได้สิบไปมาแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปที่คุณอนุมัติฟังต่อไหม ประมาณยังไม่เมื่อยนะใครไม่ฟังยกมือขึ้นไม่มีเอ ก, กฉันต่อนะต่อสิบเองเหรอเขาเอาสิบเขาเาสิบห้าเา 15, ข้ายี่สิบเ 20, ข้าหนึ่งชั่วโมงมีคนยกต่หนึ่งชั่วโมงสิบนาทียกคุณหนึ่งเสียงเมื่อกี้นี้ยกหลายคนนะหนึ่งชั่วโมงหลายคนคุณหนึ่งเสียงเอาสิบนาที ทำามาหิวข้าวแล้วฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะคนที่ฟังรู้เรื่องก็อยากฟังต่อมันก็สนุกคนฟังไม่รู้เรื่องก็อยากหยุดเป็นธรรมดานะก็เอาหน้าถามอย่างนี้ก็ได้จำบทใครฟังรู้เรื่องแล้วอยากฟังต่อยกมืออ้าวใครฟังไม่รู้เรื่องไม่อยากฟังต่อยกมืออย่าอาย อุตสาหกรรมเจ้าก่อ ช, า, ชาวายายอายก็ยังไม่มีใครยกมือเลยเพราะฉะนั้นอาตมาก็สาธยายต่อได้นี่ขออนุมัติแล้วนะอ่าไม่ต้องอยากเราอาตมารู้ว่าเราคนเพียรนะออาตกลงแอปลูฟแล้วฮะอาสางธา น, นีก็เตรียมตี11โมงไว้แล้วอาตมาไม่ผิดทางธา น, นีก็ไม่มีปัญหาเขาว่าเตรียมไว้11โมงอยู่แล้วนะ เอาเขย้ายความต่อตรงนี้ดีนะเรื่องของเศรษฐศาสตร์ที่อันนี้อัตมาพยามอธิบายมานานหลายสิบปีแล้วมันก็ยังเข้าใจกันไม่ได้พวกทุนนิยมเขามีบางคนมีปัญญาเข้าใจได้แล้วแต่กิเลสเขาไม่ยอมกิเลสบอกถึงยังไงกูก็ต้องเอาเปรียบอยู่ก่อนบางคนไหนที่ชัดเจนแล้วว่าโอ้เราไม่ไม่ต้องไปเอาเปรียบแล้วเราพอแล้วพลังงานเราเหลือพอที่จะมีส่วนเกินเพราะสลา้คนอื่นเถอะเรายังไงเราก็ทํางานค่าตัวค่าค่าแรงงานค่าความคิด ค่าแรงงานทางกายเขาเราทํางานอย่างนี้จะไปประเมินค่าตัวแพงแล่ะเราทํางานคุ้มอยู่แล้วหรื อ, อยิ่งมีเป็นผลผลิตเลยเนี่ยผลผลิตนี้เอาหน้าแม้มันจะทุนพันหนึ่งเราจะขายห้าร้อยข อ, อไปไม่ถึงห้าร้อยขายเจ็ดร้อยเราก็เสียสละไปตั้งสามร้อยแล้วก็อยู่รอดอยู่รอดแล้วยิ่งพวกเรานี่มารวมตัวกันเพราะฉะนั้นคนนี้ก็สละคนนี้ก็สละมารวมตัวกันเข้า มันจะมีส่วนเหลือส่วนเกินเยอะเลยจึงเกิดการเป็นไปได้อัตมาถึงไม่กลัวชาวอาโศกนี่จะจะพังเพราะตอนทุกวันนี้เนี่คนต้องการลักษณะนี้อยู่เยอ ะ, ยอะคนกิเลสหนาต้องการไม่ต้องการอันนี้เลยมันต้องการเอาเปรียบเลยก็มีแต่คนตอนนี้กําลังหาทางออกจะมาเป็นคนเช่นนี้คือเป็นอริยกะแทนไม่ใช่มักไม่ใช่มีลักขะไม่ใช่คน ตระกูลมิละขะตระกูลโง่เงาไม่เคยเจริญส่วนอริยากะในตระกูลเจริญตระกูลโบราณเนี่ยอริยากะรมในตระกูลใฝ่าหาความเจริญเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญารู้จักความเป็นอริยะเขาก็มาเอามิละขะมันพวกอเอาเอวัอยวะสัตว์ก็ต้องปล่อยเขาแต่ไม่ต้องกลัวเนี่ยบอกให้รู้มันมากทุกวันนี้มันมากแล้ว ชาวมีลักขะเยอะแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเอาเป็นนัยสัตว์สัทซอนไม่ได้แล้วมันก็จะดันตัวรังมันก็จะเป็นตัวลายอยู่นี้แหละเพราะเราจะต้องรู้จักวิธีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปรุกรานเขาบาปใครบุญมันกดเหตนกรรม <c oughs> เขาทาบาปก็ <c oughs> ไม่ต้องไปรุกรานเานี่ยเขาโกรธมาทำร้ายเราตรงนี้จะต้องประมาณประมาณยากเพราะมันดุมันไปกระถิ่งดุเป็นเสื้อดุด เพราะนั้นต้องเรามาระวังดูแล้วมันบ้าด้วยกระทิงบ้าเสือบ้านี่มันระรานไปหมดนะเพราะคําเข้ามาเข้าสู่เศรษฐ ศ, ศาสตร์บทที่กำลังอธิบายนี้คนที่มีจิตจิตญาณมีใจจริงๆเลยเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยความรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่นี่หนึ่งความรู้ความสามารถก็มีราคา สองฝีมือเมื่อมีความรู้ความสามารถลงมือทำมีฝีมือก็ออกมาเป็นผลผลิตเป็นผักเป็นพืชเป็นอุตสาหกรรมเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่มันก็เป็นกรรมกิริยาการงานสารพัดที่เป็นการงานที่เอามาใช้งานกับการงานเอาไปมอมเมาแบ่งค่าระหว่างการเอาไปมอมเมากับการงานใช้ให้ พอสมควรนี่แหละมีค่านี่แหละสำคัญเช่น เ, เขาเรียกอะไรนะไอ้ที่ไปแจกเด็กเนี่ยแท็บเล็ต เ, เนี่ยแจกแท็บเล็ตเนี่ยแจกแท็บเล็ตให้เด็กไปเนี่ยในตัวแท็บเล็ตนี่มันมีอะไรนึในเครื่องใช้ในแท็บเล็ตเนี่ยมันมีความสามารถคุณสมบัติของมัน มันเอาผีเข้ามาในแทบ็บเล็ตได้ใช่ไหมเจอะเลยและเด็กฉลาดนี่มันก็เอามาได้มันเป็นแฮกเกอร์มันเอามาใช้ตัวมันก็เสือมเด็กพวกนี้มีเตียงสามีภูมิคุ้มกันมีวุฒิภาวะพอที่จะรู้ว่าอะไรชั่วอะไรดีที่จะ ไม่เอาแล้วอันนี้ชั่วอันนี้ดีมันมีวุฒิภาวะพอเรอที่จะเอาไอแพดนี้ไปให้เด็กเพราะงั้นพวกเราโรงเรียนเราลึงแอนตี้ไม่รับไม่รับอันนี้ที่ทางการแจกโรงเรียนเราบางที่บางโรงเรียนก็ยอมให้เซ็น อไม่รับเขาก็เอาคองคืนไปปบางโรงเรียนบอกไม่ได้เนี่ยข้อกระโศกเนี่ยต้องรับไม่รับเขาไม่มีทางแก้เขาไม่ไม่ให้เซ็นว่าไม่รับแล้วเขาก็จะได้เอาข้องไ่คืนมีหลักฐานพอเซ็นนี่เราก็รู้ว่าเราเซ็นเรามีหลักฐานนะถ้าบอกว่าเอาหลักฐานนี้มายืนยันว่าเซ็นถ้าคุณคล้องไม่คืนทั้งน้ยก็ตามได้ เอาเรนีหนึ่งบอเ ข, เขาไม่ได้เอาของคืนแล้วของนี่มันหายไปไหนก็าตามเล่นงานคุณได้อย่างนี้คือหลักฐานในโลกมันก็อย่างนี้เดี๋ยวพูดยาวมันจะเอาปเปปราบผ่านสรุปแล้วเราก็เอาสิ่งที่ไม่เอาหรือแม้แต่ในโรงเรียนเรานเด็กที่เรียนอยู่ในเราจบมหกนี่เราก็ยังไม่ให้ใช้โทรศัพท์เป็นส่วนตัวถ้าคุณจะใช้โทรศัพท์คุณก็มาใช้ได้ส่วนกลางเรามีของผู้ใหญ่ที่ดูแลอยู่ ใช้ได้เป็นกลางเป็นกลางที่อยู่ในไสายห้องส้ตาไม่งั้นคุณอยู่กระตูของคุณเองคุณก็จะไปใช้ผีอยู่ในโทรศัพท์มีเท่าไหร่เพียงเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นเยอะแยะมันมอมเมาทําลายคนสิ่งเหล่านี้เราทําเรามีเหตุผลเรามีอะไรอะไรต่างๆนานาในการที่จะช่วยเหลือคนเพราะเราไม่ให้เด็กมีเงินอยู่ในมือจะใช้ ก็มีเงินส่วนกลางไม่ส่วนกลางของพ่อของแม่ของญาติจะเอามาฝากไว้ว่าเป็นส่วนกลางเพื่อเด็กจะใช้เราก็ไม่ว่าเราก็ไม่ได้เคยไปเรียกร้องว่าเด็กมาเรียนที่นี่คุณต้องเอาเงินส่วนกลางมาไว้ให้นะเพื่อเด็กจะใช้เราเราจะตรารีบให้ก็ได้เราไม่มีส่วนกลางให้นะเราก็ไม่เราก็มีส่วนกลางท่าสมองสมควรแล้วก็ให้อยู่เราเรียกเหมือนลูกเหมือนหลานแม้ป่วยเราก็ไม่เคยไปเรียกร้องว่าคุณต้องจ่ายค่า เจ็บป่วยของลูกนะเราออกไปแล้วนะเราก็ไม่เคยไปเรียกร้องใครเด็กอยู่ในดูความดูแลเราถ้าเด็กจะบป่วยเราก็จ่ายเงินจ่ายทองเรี้ยงดูเหมือนลูกเหมือนหลานอยู่พ้นจาก อ, อกเราไปไปคืนไปสู่คุณ อ, อกของพ่อของแม่คุณก็ดูแลแลูกเราสิถ้าไม่อยู่ในดูแลของเราเราก็รับผิดชอบอยู่อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์ชาติที่จะพึกประพฤติอาตมาก็พาดทําไปนะ สิ่งเหล่านี้เอตมาได้มาได้มาจากความรู้พระพุทธเจ้าสอนมาไม่ได้เรียนชาตินี้ไม่ได้เรียนหรอกอตมาไม่ได้เป็นศิษยเรียนธรรมะเรียนพระพุทธธรรมจากสํานักไหนมันเป็นของเดิมที่อตมาได้มาที่เอามาพูดจ่อยๆใ จ, อ ย, จ, อ, ยจ อ, ยอยู่เนี่ยจากของเดิมแม้จะเป็นความที่มันไม่สอดคล้องกับที่กระแสโลกกระแสกระแสสังคมของกระแสหลักของประเทศก็แล้วกันก็สอนกันอยู่อตมาก็ค้านแยง่แยงหลายๆอย่างอยู่ เ้ออาตมาก็ดูว่าเอ๊ะเราผิดหรือเขาผิดถ้าอาตมามั่นใจว่าอาตมาไม่ผิดอาตมาก็ขอเสนออย่างนี้ก็แล้วกันคุณก็เลือกเอาจะเอาอย่างอาตมาหรือจะเอาอย่างกระแสหลักคุณก็เลือกเอาสิคุณมีสิทธิ์เพราะของพระเจ้านี่เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นอิสระเสะรีภาพทุกคนมีสิทธิ์เลือกเอาเองอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นอาธรรมคุณมีสิทธิ์เลือกเอาเราไม่ได้ไปบังคับตัวใครตัวมันตัดสินเอาเองเมื่อเกิดนานาสังวาดแล้วคุณก็เลือกเอาเอง ทิจจบความรู้พระเจ้าอาตมา ก, ก็เห็นจริงอย่างนี้อาตมา ก, ก็ทําตามท่านทุกอย่างนะร่างพวกเราเนี่ยเราอยู่ในสงังคมเราลดละกิเลสตัวเองเราจึงเป็นคนที่จริงจริงที่ลดเราไม่สะสมมากแล้วเรามีแค่นี้กินเท่านี้แล้วก็ลดมาบริขารก็ลดเรื่อยๆแต่ก่อนนี้โอ้เพชรก็เป็นบริคานถ้าไม่มีก็จะตาย ถ้าไม่มีเพชรประดับตัวเองออกมาให้คนเห็นนี่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจจะบ้าคอไพอัตมาพูดแรงคนจะติดอยู่เขาบ้างจริงหรือเขไม่มั่นใจหรอกโอ้โหรู้สึกว่าคนจะรู้สึกว่าเราเองนี่มันได้แต่ไม่มีเพชรมีพลอยเครื่องอนี่ไปออกงานใหญ่ๆไม่มีเครื่องแสดงแล้วไม่มีเพชรมีพลอยไปโชว์เลยโห้ยไม่ได้หรอกตายเสียศักดิ์ศรีตายเลย ไม่มีก็ไปยืมของพี่ของน้องของป้ามาใส่ก่อนนั่นอภิโช์ไม่งั้นก็หาว่าฐานะนเราแย่อย่างนี้เป็นเรื่องของสามัญ พ, พูกคุณฟังก็เข้าใจเราไม่ทำแล้วเราไม่ต้องมีเพชรเราก็ไม่เห็นจะน่าอายเรามีความสามารถเรามีแรงงานเรามีความรู้สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เราทาอยู่แล้วกวาดพื้นเป็นเราเช็ดซ่วมเป็นเราปลูกผักเป็น ซ่อมมันนี้สร้างอันนี้ได้ประดิษฐ์อันนี้ได้เรามีฝีมือทาอันนี้ได้ล้วก็ทำาอะไรมีความจำเป็นอะไรมีความสาคัญต่อสังคมสังคมนี้ยุคนี้หรือสังคมอื่นก็แล้วแต่ที่มีสาระแท้เราไปคนรู้จักสาระแล้วเราก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์อยู่ไม่ได้คนรูได้เพราะผลงานแรงงานก็ดีสร้างวัตถุก็ดีที่ทำออกไปแล้ว ล้วก็อาศัยกินอาศัยใช้ในสิ่งที่เราทำนี่แหละไปแลกค่าในสังคมเหลือไอที่เราทำไปแล้วแรงงานค่าแรงงานก็ตามค่าผลผลิตกตามที่เราทาแล้วนี่เราก็กินก็ใช้ย่างน้อยกว่านี้เลยส่วนเกินนี้คนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากค่าแรงงานหรือค่าผลผลิตของเราที่ทำไปให้พวกคุณได้ใช้ะอาศัยเราเสียสละออกไป คุณก็เป็นคนที่ไม่ด้เบียดเบียนใครไม่ได้เบียดเบียนสังคมไม่ได้เบียดเบียนโลกไม่ได้เบียดเบียนตนเพราะคุณก็พอดีแล้วคุณก็พอแล้วพอกินพอใช้อยู่รอดแข็งแรงสมบูรณ์คนชนิดนี้แหละที่อาตมากำลังสร้างกำลังทำให้พวกคุณมาเป็นคนชนิดนี้จึงเป็นคนที่เมื่อลดละได้ก็เป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดดเป็นคนอาศัยแค่นี้แข็งแรงแล้ว มันน้อยกว่านี้ไม่พอก็อกินแค่นี้ต้องใช้แค่นี้เสื้อผ้านี้เป็นปัจจัยหรือเป็นบริขารอยอัตมาเนี่ยไม่ต้องไปแย่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงสูจากคุณมาทําหรอกคุณมีฝีมือคุณมีความรู้คุณ ท, ทําเถอะเอามาให้อัตมาอัตมาก็ไม่ได้ใช้อะจางคนชอบซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดของดีราคาแพงแม่อัตมาโทษเสียของอัตมาใช้ไม่เป็น ซื้อมาคุณภาพมันจะต้องใช้ร้อยอัตมาใช้แค่ห้าและอีกเก้าสนะิบห้าในราคาซื้อมาแพงค่าซ่อมก็แพงเอาไปให้คนอื่นที่เขาทำได้เอาแค่ของราคาประมาณคุณภาพห้านี่ก็พอแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมเอาเครื่องอย่างดีมาท่้งมันอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีภาวะซับซ้อนอย่างนี้เสมอเพราะอัตมาเลยมีของดีๆใช้ แต่ไม่ได้ใช้หมดใช้มันไม่หมดหรอกเพราะจริงๆก็อาตมาใช้ไม่เป็นนะหรือใช้เป็นแต่ไม่มีเวลาที่จะไปใช้มันเวลาหมดแต่งงานหมดใช่มีอะไรเหมือนกับอาหารเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้ามากันญาติโยมมาเยอะเนี่ยนะอาตมาบอกโตแท่นี้ไม่พอเองต้องขยายโต๊แล้วก็เต็ม ถ้าตมะจะไปกินหมดเน่ะกินหมดก็ตายท้องแตกตายป็นชูชกเลยก็กินไปเฉพาะที่ควรจะกินพอแล้วนอกนั้นก็เหลือเหลือพราะคุณก็ไปใช้ไม่ต้องเอามาให้อาตมากอดได้ก็มันยังไงมันก็เหลือแต่เอามาอยากให้กินเอามาให้แล้วไม่กินก็โกรธอีกแล้วกันอาตมาก็ลำบากก็เพราะมีเท่านี้นะ ก็กินเนี่ยมารู้กี่คนแล้กินคนละครึ่งคำก็ยังเต็มเราเดี๋ยวจะละเอียดเกินไป mm hmm. เพราะทิศทางที่พระเจ้าทั้คนพบแล้นี้มาให้เป็นมนุษย์มนุษย์มักน้อยสันโดษจนไม่ต้องยึดถือว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราสรุปจบแต่รู้อะไรเป็นเครื่องอาศัยจะต้องอาศัยอาหารจะต้องอาศัยเครื่องหนุงหม่มจะต้องอาศัยที่พักจะต้องใช้อาศัยยารักษาโรค จะต้องอาศัยโบราณบริการบางอย่างสมัยโบราณก็ต้องมีเครื่องกรองน้ำนะเพราะไปไหนก็พึ่งตนเองเดี๋ยวมันจะไปเอาน้ำไม่มีสัตว์มาดื่มก็กรองะซะดื่มน้ำก็มีธรรมโกรกหรือทําเรียกว่าธรรมโกรกจาเป็น ไม่ต้องไปเปลี่ยนใครน้ําในรอยตีนควายก็ได้เอาโกรกตักมาใส่ทำมะโกรกลอะไรนี่นึ็นต้นมีมีโกนมีเสื้อผ้าสามชุดสามชิ้นมีอะไรบริการแปดของสมณะมีได้มีเข็มมีอะไรผ้าขาดก็ชุนเองอะไรนี่พวกนี้เป็นต้ น, นรบริก า, มามมมม ร, าาออ ร, ารามีตัวนั้นไม่ต้องมากแต่ทุกวันนี้ตัดมาทํางานกระทรงของทุกวันนี้พวกนั้นไม่ต้องคํานึงเลยมี อ่าอะไรเรียกอะไรอะสังฆการีอะไ ร, ร, ะไรเรียกปยาพยากรอวปยาพยากรคนที่ขนขวายช่วยเหลือไอ้หนุนไอ้นี้ไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องกังวลเลยทํามงโก้โรกผ้าขาดได้เข็มไม่ต้องไปกังวลหลายอย่างเลยในบริการแปดเนี่ยไม่ต้องกังวลอ่าแม้แต่ส่วนนี้อาตมาก็ไม่ต้องกังวลทรื่องขนานบริการเช่นคอมพิวเตอร์ ก็เป็นบริการแล้วแว่นตาก็ไปบริคารแล้วอาตมาไม่เคยไปกังวลเลยว่าบริคารแว่นตาเนี่ยอาตมาเป็นเดี๋ยวจานนู้นเปลี่ยนเธอเปลี่ยนเธอแว่นตาเดี๋ยวไปวัดใหม่อยู่แล้วไม่ต้องแล้วอาตมาไม่ต้องมีไว้ไว้จะดกอรคอยดูแลคนนั้นดูแลนี่คนนี้ดูแลนู้นคนนั้นดูแลนี่แล้วก็บริคารบางอย่างต้องต้องใช้อเรื่องแว่นก็ต้องใช้ก็เป็นบริคารแต่ไม่ต้องไปกังวลอาตมาไม่ต้องดูแลไม่ต้องแบ่งน้ำ คอมพิวเตอร์ก็เป็นบริการอาตมาไม่ต้องดูแลไม่ต้องไป อ, อ, อะไรมาก อ, อย่าว่าแต่ต้องดูแลจัดหาเลยไอ้นี่มันเสียแล้วนาะ้นี่มันไปไม่ออกแล้วเนี่ยอะไรมาช่วยแก้หน่อยเอาเียเขาก็มาแก้ให้มาที่แก้ไอ้ตรงนี้ตงิตงแก้อย่างนี้เราก็มีความรู้เท่านี้นะในคอมพิวเตอร์เขาก็พยายามโน้ตให้ทาอย่างนี้นะก็ไม่จำทำไม่เป็นจาได้เดี๋ยวก็ทาได้ พอจำได้ตัว น, นี้ทําได้พอจะไดอันนี้มันหายไปหายไปเพราะว่าความความจำก็หายไปด้วยก็ทําไม่เป็นอั น, นี้ทํำยังไงวะก็ เ, เรียกเขาเขาก็มาช่วยเป็นข่าวคลาดไปมันยังเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องเอ่ยโพธิที่รักทุกวันนี้อธิบา ย, ยางี้พอได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นไม่ว่าคนเราถ้าไม่ต้องต้องการอะไรเขาก็จะต้องการ ถ้าเราทำงานให้แก่สังคมทำงานได้ดีคน ก, ก็พร้อมที่จะพ ป, ปอร์ตเป็นธรรมชาติของคนเพราะท่านให้ไปนี่ท่านให้ท่านไปแล้วเนี่ยท่านไม่เอาไปขบถ ท, ท่านไม่เอาไปแจกอีหนูท่านไม่เอาไปซื้อที่กักเก็บท่านไม่ไปซื้อขนมกินเสพตัวเองท่านเอามาใช้เป็นงานเป็นนาบุญแถววานลงไปต่อไหร่านก็งอกเพื่อผู้อื่นงอกเพื่อผู้อื่นทั้งนั้น คนจึ้งศรัทธาว่าคนคนนี้เนี่ยทำบุญให้ไปเถอะท่านหมดตัวหมดตนท่านไม่ทําเพื่อตัวเพู่อ ต, ตนด้วยอะไรเลยกามท่านไม่เสพอัตตาท่านก็ไม่มีอัตตนิยาท่านก็ไม่มีเป็นของของตนท่านก็ไม่ยักอะไรไปเป็นของตนเลยอัตตนิยาหรือเอามาเสพตเพื่อตอนเป็นตนก็ไม่มีเลยคนก็ไว้ใจคนก็เลยเพื่อพร้อมที่จะอุปการะคําชูเนื่องหนุหน อำนวยความสะดวกเกื้อ ก, กูลส่งเสริมสพอร์ตเสมอเป็นเรื่องสามัญเลยโลกสากลทั้งโลกความจริงอันนี้นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเมืองไทยก็จะพิสูจน์ความจริงอันนี้นให้รู้ว่าความรู้ของพระเจ้านี้หลักเศรษฐศาสตร์ก็ตามหลักรัฐศาสตร์ก็ตามหลักรั้นกมศาสารตาาสาร์ก็ตามโลกมีมหาวิยาอัยที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหน มหาเวิทยาลัยของพระเจ้านี้เศรษฐศาสตร์บทนี้เป็นเศรษฐศาสตร์บุญนิยมสังค ม, สาสมศาสตร์บุญนิย ม, มรัฐ ศ, ศาสตร์บุญนิยมออกมาเชิงรัฐศาสตร์บ้างรัฐศาสตร์บุญนิยมก็คือพี่ที่ผู้ที่รู้จักรัฐและคนในรัฐและพฤติกรรมสังคมของคนในรัฐงานการของคนในรัฐ พฤติกรรมของคนในรัฐกิเลส ข, ของคนในรัฐก็มีความสามารถที่จะจัดสรรจัดคนกิเลสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้เอาอยู่จัดกิเลสพวกนี้ให้อยู่เอาอยู่กิเลสพวกนี้อย่าออกมาอารวาสนี่คคนบริหารเช่นหนึ่งเพราะนั้นตอนนี้เราต้องเชื่อนายกปูก่อนว่าเป็นคนเอาอยู่ เอาคนที่มีกิเลสตัวนี้นี่เดียวแต่ค่อนข้างได้ฟังแต่ว่ายังไม่ได้รับรายงานอันนี้ก็ต้องให้เป็นไปต้องเหตุการณ์ต้องไปตามเหตุการณ์ก่อนนะคะได้รับแต่อย่างเงี้ยคือปัดสวะอยู่เรื่อยภาษามีแต่ปัดสวะปัดสวะปัสวปสวะอัตมาเขาน่าจะสาธยาเลยอันนี้อันนี้อย่างงี้งี้จังชัดแล้วก็เป็นสิ่งที่พูดออกมานี่ <c oughs> ใช่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาในประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้ จะเจนถูกต้องแลวก็เห็นด้วยว่าเออประเด็นนี้เข้าท่าแต่ดูแล้วเนี่ยออกนอกท่าทั้งนั้นเลยไม่เข้าท่าสักทีสักทีไปไหนก็ไม่รู้เลยตามหาก็ไม่รู้เลยออกนอกท่าแล้วยังไม่รู้เราไปไหนแล้วออกนอกท่าแล้วยังไม่รู้ไปไหนล้วจะเอาอยู่ไหมเนี่ยใแตมาพูดภาษาไทยนี่นเข้าใจไหมพฤติกรรมเนี่ยไม่เข้าท่าออกนอกท่า แล้วยังไม่รู้ว่าไปไหนอีสังหาจึงได้ชื่อว่าถ้าอยากรู้ว่าคนที่ไม่รู้คือคนโง่นี่กดเข้าไปที่เขางงแล้วกันจะรู้ว่าคือใครนี่คือฉายาของคนคนนี้เขาแกล้งเหรอเขาไม่ได้แกล้งนะนี่คือสังคมโลกประเทศไทยการเมืองประเทศไทยอาตมาพูดเนี่ย ไม่ได้ไปโกรธไปเกลียดไปชังเราอาตมาสงสารแต่ว่าพูดสัจะทรมให้ฟังว่ากาลนี้ยุคนี้เรามีนางกอย่างนี้นะไม่ใช่นายกเป็นนางกนะนาโล ก, นา ล, กนาลิก า, น า, กานายกาิายกานายิกานี่คือตัวจริงนะคือน า, นายกผู้หญิงนะ เป็นเป็นเป็นเจ้าตัวจริงนะเป็นเจ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสร้างบริหารอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถจริงนะแต่เป็นเชิงผู้หญิงก็ตามนะเพราะ ง, งั้นในด้านเศรษฐศาสต ร, ร์ ร, รัฐศาสต ร, ร์สังคมศา ส, รรสตร์ก็ตามในด้านรัฐศาสตร์ที่อตาตมาพาทำอยู่เนี่ยก็คือเป็นคนรู้จักรัฐรู้จักมนุษย์ชาติรู้จักกรรมการงานของมนุษย์ชาติ รู้จักกิเลส ข, ของมนุษยชาติแล้วจัดการให้ฮาร์โมนีให้อยู่กันอย่างกลมกลืนสงบแน่นอนมันมีคอนทราสต์มันมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอยู่นี้แต่คุณก็จัดสรรคอมโพสจัดการให้ไอ้ตัวที่มันคนละขั้ว น, นี่อยู่กันอย่างสงบอย่างพอดีได้นี่คือความสามารถของผู้บริหาร คือความสามารถของผู้บริหารที่จะจัด composition นั้นนี้ให้มันฮาร์โมนีให้มันกลมกลืนอยู่อย่างสมบูรณ์และคุณก็รู้เลยว่าอะไรที่เป็นจุดสำคัญอะไรเป็นจุดรองอะไรเป็นไฮไลท์คุณก็รู้เลยองค์ประกอบมีทั้งหมดเลยส่วนรวมนี้อะไรคืออะไรมันต้องมีจุดเด่นจุดได้มีจุดจุด ไฮไลท์นี่คือจุดชี้ชวนเป็นจุดพิเศษคุณก็ต้องรู้ทั ช, ชไฮไลท์อันนั้นไว้ไมาเช่นบูมินทัชนะคุณก็ทั ช, ชไฮไลท์นั้นไว้ซึ่งเป็นคนรู้จักการตกแต่งสภาพนี้องค์รวมนี้กายโยนี้อย่างได้สัดส่วนเป็นองค์ประกอบที่ ตัวเองก็อยู่ได้อย่างดีได้สัดส่วนและแถมมีไฮไลท์ที่คนสัมผัสแล้วเฮ้ยอะไรวะแล้วคุณก็มาศึกษาพอมาศึกษาคุณก็รู้เนื้อในโอ้โ oh หอันนี้ของดีวงเล็บวะ ah คุณมีของดีควรอวดไหมละ่ะคุณก็ติดไฮไลท์เขาถ้าคุณยังไม่มีของดีน่าอวด อโศกนี to to ่มันยังไม่กล้าติดไฮไลท์เท่าไหร่ยงไม่ไว้ใจพวกคุณยังไม่กล้าติดไฮไลท์เท่าไหร่ยังไม่ไม่ทัชไฮไลท์เท่าไหร่มีแสงออกมั่งนิดนแป๊บล้วแป๊บล้วแป๊บติดชาช้านานๆก็นม่ได้แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไไลท์นี่เป็นแสงแป๊บแป๊บ สักวันก็จะจิตนานขึ้นแต่ก็เป็นแสงที่โตขึ้นหรืแสงที่สวยแสงที่งามขึ้นมันก็จะมีรัศมีมีอะไรอะไรที่เราจะมีไฮไลท์พวกนี้ที่จะดีขึ้นนี่ก็ใช้ภาษาฝรัง่งบางภาษาไทยบางปนเปไปยังเก่งภาษาฝรั่งนักแต่ก็พอใช้ได้บางคําบางอันก็ใช้ไปนะผิดปราดยังไงเดี๋ยวจิมพอรู้ภาษามากอาตมา ก, ก็บอกด้วย อันนี้ผิดหน้าพอท่านเอาอันนี้ใช้อาคารนี้แทนดีไม่ก็ดีอาตมาจะได้ความรู้มีคนช่วยอยู่นะคนช่ว ย, ค น, วยคนนั้นคนนี้อาตมาพูดถึงเรื่องสิมพูดถึงเรื่อ ง, งเซนซิกับซก็แหม่มก็ก็ทักทวงมาว่า s ซ n ซิ b l e นี่มันจะอย่างนี้อย่างนี้ทนโัโอ้โหโคตรเ อ, อ, อพจพจนานุกมรมภาษาอังกฤษไหมอาตมาอาตมาก็ ย, ยิ่งมืดใหญ่เลยราษาอังกฤตจะเป็นปึกแต่ก็ ขอบคุณแล้วก็ดีแล้วก็ใจก็อัตมาเขาพยายามคนคว้าเราพยายามตามก็เป็นประโยชน์ช่วยกันก็เจตนาดีต้องการให้อัตมาถูกต้องต้องการใช้ถูกก็ดีแล้วแล้วก็ขอบคุณสิ่งอย่างนี้นะก็เกื้อกูลทุกคนก็เป็นมิตรสหายดีช่วยกันอัตมาว่าสัฒนธรรมผสมนี่น่าอบอุ่นแล้วก็ดําเนินไปการเมืองแล้วก็ทําการเศรษฐกิจเราก็ทําเรื่องสังคมแล้วก็ทําส่วนเรื่องที่จะพึ่งตนเองแล้วจะทำงาน แม้แต่สื่อสารนี่เราก็ทํางานผู้สังคมอัตมาพูดได้เลยว่าสื่อสารของเราเนี่ย <c oughs> วิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีเรามาด้วไ ม, ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือหากินคนก็จะเป็นเครื่องมือหากินกันทั้งนั้นอย่างฟรีทีวีเนี่ยข อ, อไปขออาจารย์ขอใช้ภาษานักหนักหน่ยตราหน้าได้เลยภาษาหนักนะตราหน้านี่ทีวีฟรีทีวีเนี่ย เป็นสื่อสารหากิ่นทั้งนั้นไม่ใช่สื่อสารที่เป็นสื่อประโยชน์ปร ะ, ประโยชน์มนุษย์เป็นสื่อสารที่มอมเมามากกว่าที่จะให้สาระข้อใที่จะต้องกล่าวสัจจะบทนี้เช่นให้ข่าวกีฬามากเกินไปเนี้อไรสาระกีฬาคือการเอาชนะ อย่ามาพูดให้เมนกี้ฟันว่ารู้จักแพร้รู้จักชนะรู้จักอภัยอย่ามาพูดให้เมนกี้ฟันคุณไปล้างกิเลสคุณก่อนเถอะแล้วคุณจะรู้จักแพ้ชนะรู้อภัยแต่นี่คุณไม่ได้เคยมีวิธีการล้างกิเลสเลยมีแต่ส่งเขาไปเอาชนะส่งเขาไปเอาชนะใช่ไหยคุณส่งกีฬาระดับประเทศระดับชาติใช่ไหมระดับสีระดับกีฬาสีอะไรก็ตามแต่สร้างคนไปเอาชนะข้าวสารทั้งนั้น ไม่ได้ด้วยความสามารถก็ได้ด้วยตอใชาเล่ไม่ได้ใชาเลช่ชายดุดกลชายดุดกลไม่ได้เอาด้วยมนต์คาถาใชายด้วยมนต์คาถาไม่ได้หลอกตอกลวงจับหลอกลวงได้ก็ไล่ออกไปเยอแล้วทรงเขาไปหัดฝึกหัดเพื่อเอาชนะฆาตการเท่ า, านั้นะไม่ใช่ไปรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่ใช่เพราะคนจะรู้จักแพ้รู้ชนะรู้อภัยนั้น ต้องสอนในรถกิเลสเพราะฉมหาวิยาลัยหรือวิยาลัยการกีฬาต้องเรียนสัจธรรมเรียนธรรมะให้หนักถึงจะเป็นมหาวิยาลัยกีฬาหรือกรมกีฬาได้ถ้าคุณเองคุณกรมกีฬาสัจธรรมหรือธรรมะของคุณไม่แข็งเลิอกอย่าไปให้มีมหาวิยาลัยกีฬาเพราะกีฬาคือการเอาชนะ หรือมหาวิทยาลัยสอนรัฐศาสตร์ก็เหมือนกันถ้ามหาวิทยาลัยใดก็แล้วแต่สอนรัฐศาสตร์แล้วแล้วก็สอนว่าอธิปไตยหรือนักการเมืองคือผู้จะแสวงหาอํานาจคุณลงทุ่มหาวิทยาลัยได้เลยนักการเมืองคือผู้ไปเสียสละไม่ใช่สแสวงหาอํานาจเป็นผู้ไปกระจายอํานาจให้แก่ประชาชนถ้าไปสอนว่าการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจ ตกตกไม่ผุดไม่เกิดเลยวิชารัฐศาสตร์เนี่ยศูนย์ลบลบลบผู้ไปศึกษาวิรัฐศาสตร์ไปเป็นนักการเมืองนักรัฐศาสตร์ต้องเป็นผู้ไปเสียสละกระจายอํานาจลดอํานาจตัวเองคนเขาจะให้อํานาจเราเองอํานาจไม่ได้เกิดจากคุณยึดอํานาจหรือคุณเบ่งอํานาจ อำนาจนั้นคนอื่นเขาให้และคุณใช้อำนาจของคุณอย่าใช้หมดอำนาจคุณเขาให้คุณร้อยคุณใช้แต่เพียงห้าสิบก็มากแล้วนอกนั้นให้เขาเถิมแถมเองให้เขาเติมมาเป็นหกสิบให้เขาเติมมาเจ็ดสิบให้อำนาจประชาชนให้อำนาจคนอื่นก็มาเติมอีกหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยนั่นจึงเป็นอำนาจประชาธิปไตยคุณใช้ห้าสิบก็เกินไปแล้ว คุณใช้สามสิบเถอะให้ประชาชนเติมมาเจ็ดสิบนี่แหละคือนักบริหารที่เยี่ยมยอดเป็นประชาธิปไตยที่แท้ยิ่งคุณไม่ใช้อำนาจของคุณเลยคุณใช้แต่ความสามารถใช้แต่ความรู้คุณเต็มรูปเลยคุณไม่ใช้อำนาจเลยประชาชนให้คุณร้อยเลยนี่คือตัวอัทธารัฐาธิปัตย์ที่แท้จริง นี่คือรัฐาธิปัตย์ที่แท้จริงตัวอย่างรัฐาธิปัตย์ในประเทศไทยคือในหลวงท่านไม่ใช้อำนาจของท่านเลยที่ท่านมีหลายอำนาจที่ท่านไม่ใช้ท่านน่าจะใช้แต่ท่านไม่ใช้แต่เราก็ต้องเห็นใจท่านว่ายุคนี้ใช้ไม่ได้พวกนี้มันบ้าถ้าไปใช้มันมันมันหมาบ้า ท่านต้องปรีประนอมมาให้เกิดความวุ่นวาย ใ, ในรัฐอาตมาเห็นพระไทยในหลวงมากที่สุดเลยเรื่องนี้เนี่ยใครไม่เห็นก็ะชัอาตมาเห็นอยู่อาตมาบอกได้ว่าในหลวงนี้เป็นนักประชาริปไต่สุดยอดเท่าที่มีอยู่ในในโลกขณะนี้เพราะฉะนั้นในหลวงได้รับการยอมรับนับถือจากคนจากคนในโลกจากทุกประเทศ เป็นความจริงสัจธรรมนักประชาธิปไตยก็เคารพนักสังคมนิยมก็เคารพคอมมิวนิสต์ย่างเคารพเลยนอกจากคอมมิวนิสต์โง่คอมมิวนิสต์ไม่มีปัญญาคอมมิวนิสต์ไม่ฉลาดแท้เท่านั้นแหละถ้าคอมมิวนิสต์ฉลาดแท้จะรู้เลยท่านไม่ใช้อิทธิพลท่านไม่ใช้อำนาจบาดใจเลย ท่าตั้งที่คนให้เต็มที่แต่ท่านไม่ใช้มีแต่คนให้ท่านเองนี่เป็นสัจจะที่อาตมาเห็นความจริงใครไม่เห็นใครหาว่าอาตมาไปเนี่ยโพธิรากนิโหรสถาบันจะเป็นไรพูดไปเถอะอาตมาจะโหนไมหมโหนอาตมารู้ตัวเนี่ย สรุปความเป็นรัฐศาสตร์ความเป็นนักการเมืองคือเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนไม่ละไม่ได้เอาอะไรเป็นตนเป็นของตนแม้แต่อำนาจไม่ใช่อำนาจในตนเขาให้น่ะเป็นหัวหน้าแผนกก็มีอำนาจระดับหนึ่งดูแลควบคุมเป็นหัวหน้ากองก็มีอำนาจระดับหนึ่ง เป็นผู้บัญชาการก็มีอำนาจอีกระดับหนึ่งแต่เราไม่ต้องใช้อำนาจหรอกทุกคนรู้แล้วว่าอำนาจนี่คุณเป็นผู้บัญชาการคุณทำตัวเสมอกับคนระดับล่างเลยโอ้เขาจะกลาคุณเทิดทูนเลยนี่คุณแบ่งขี้แตกเลยเพิ่งจะเป็นหัวหน้าแผนขี้แตกเรี่ยราดเลย เบ่งขี้แตกเรีย่ยราดใครก็จะเคารพคุณสิ่งอันนี้เป็นสัจธรรมคุณฟังภาษาง่ายๆนี่ดูก็แล้วกันแล้วคุณประพื้นใี้มันสอดคล้องเรารับใช้มนุษย์ชาตินี่เป็นสุดยอดประเสริฐแล้วเพราะฉะนั้นอนตาตมาให้คาถาพกเราเอาไปทำงานนี่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ทำไปเลยตายอีกกี่ชาติหนก็ทาอันนี้ อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ไม่ใช่เสแสร้งอ่อนน้อมไม่ใช่เสแสร้งเป็นคนรับใช้จริงเป็นคนอ่อนน้อมจริงเป็นคนถ่อมตนจริงใครจะคมก็น้อมไปเลยคนที่น้อมตอนนีนะ่ใครคมก็น้อมตามแต่คนที่แข็งขืนใครค่มเราก็เฮ้ยเฮ้ยนักก็มีแอคชั่นรีแอคชั่นดีกันทีเนี้ยก็ ทะเลาะกันฆ่ากัาานคน น, นั้นเองเพราะงั้นถ้าเราใครขมเราเ ก, กน็นอมอ่มมามันจะข่มเราเท่าไรวะยังเก่งก็ขมจนกระทั่งไม่มีที่ไปเท่านั้นละ่ะสุดท้ายเป็นไงแบนแบนสุดท้ายเป็นไงละลายละลายเป็นไงสุดท้ายไม่เหลือไม่เหลือก็ไม่เหลือสิอก็เราไม่มีค่าอะไรไม่เหลือก็ไม่เหลือสิยอมได้ไหมล่ะยอมได้ถึงขนาดน นะนี่เห็นไหมมาแล้วเอี่ยวตัวลบเอาไม่เอี่ยวตัวลบให้คุณบี้จนกระทั่งแบนจกนกระทั่งละลายจกนกระทั่งสิ้นสากไม่เหลือเลยยอมหมดตัวถึงได้ขนาดนั้นหล่ะถ้าได้ขนาดนั้นคุณเมตตาหันเลยอยากได้ทําเอามูตะเลี่ยงลบอยู่นั่นไม่จบสพิงทีหรอก ก็รักษาตัวตนอยู่ในเลี่ยงลมพวกเลี่ยงลมเพราะฉะนั้นจึงมีผัสสะเป็นปัจจัยศาสนาพระเจาแต่ต้องแบ่งผัสสะเอาเท่าที่ตัวเราเองเรียกว่าศีลต้องกําหนดทําตัวนี้ตัวนี้อันนี้เกินอย่าเพิ่งทํานี้ให้สำเร็จก่อนแล้วมันจะเป็นทุนเป็นต้นทุนเป็ น, ป น, ปป น, ปนมสมาหิตะเป็นต้นทุนเป็นเป็นอัปปนาเป็นความตกผลึกของคุณเป็นต้นทุนเป็นสัจจะคุณไปเรื่อยๆแบ่งทํำไปเรื่อยๆจากเบื้องต้นทากลางมันปลายไปเรื่อยๆ และวคุณจะเป็นผลสําเร็จอย่างที่กล่าวนี้วันผู้บริหารบ้านเมืองผู้บริหารสังคมผู้บริหารงานส่วนตัวก็ตามถ้าเป็นคนเช่นนี้เป็นคนที่ไม่ยึดเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเห็นของตัวแต่ทํางานเพื่อมวลมนุษยชาติอาตมาพยายามคิดว่าแม้แต่ธุรกิจการงานถ้าเราสร้างบริษัทเราสร้างบริษัทโดยทุนส่วนตัวเราก็ทํามาจนกระทัมันงอกเงยขึ้นมาเราก็จะแบ่ง คนที่มาทํางานก็เรามือเปล่าแต่มีความเสียสละสร้างสันดีเราก็จะแบ่งแบ่งหุ้นให้แบ่งหุ้นให้แ บ, หใหแบ่งไปแบ่งไปเขาก็จะสอนเขามีภูมิาใหมม้มีความรู้มันเราอย่าไปห่วงแง้่อย่าไปคือเป็นอาริยะแบบเราละเป็นอริยะแบบพุทธนี่แหละเขาก็จะลดตัวลดตนก็จะได้ไปอาศัยเขาก็จะแบ่งคนอื่นต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ บางคนดีเป็นอาิยะก็จะเกิดรวมตัวเป็นตัวสูงยิ่งสูงยิ่งไม่ไม่มีตัวตนยิ่งสูงยิ่งเอาไว้น้อยริ่มความสามารถทำงานเพื่อมวลหมู่บริษัทนี้ทั้งหมดสุดท้ายคนที่สู่ยอดไม่มีของตนเองเลยแจกจ่ายแก่คนระดับล่างหมดคนที่สูงสุดทุกคนยกให้เราคนนี้ไม่มีตัวตนแต่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดในบริษัทนี้ตั้งแต่สร้างจนกระทั่งเสียสละให้พวกเราหมดเลย ท่านไม่มีอะไรเลยแต่ท่านก็นทํางานเพื่อมวลนี้ทั้งหมดอยู่คนไปเคารพให้มันรู้ไปท่านไม่เอาจริงๆแล้วก็ท่านก็นไม่เปลึงไม่พรานไม่ได้นะต้องเอาเพชรอพลอยมาให้ชันนะตะกเอียนต้องติดทองนะเตอ ะ, ต ะ, ตะอะไรก็ต้องโอ้โหต้องรู้ต้องรักต้องไม่ให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมากไปก็บอกว่าห น, น้ามันมากไปแล้วเอาแค่นี้ก็พอนะ แต่มันก็มีศักดานะครมันอันควรซึ่งอาตมาเคยพูดว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านรวมมีพระราชศัพย์อันเหมาะอันควรนะทัตทินนะั่งบัญจถนพระเตียงพระต่างพระบรรจถนก็ต้องเหมาะตรงควรที่พอดีฉลององค์เสื้อผ้านาแพ้ฉลองพระบาท มามาลามันก็ต้องพอเหมาะพอควรที่จะาท่านจะต้องใส่ที่ฉลองที่จะต้องใช้พอเหมาะพอควรให้พอเหมาะพอสมในฐานะที่อยู่ในสังคมซึ่งมีจิตของคนวัดคนด้วยค่าสิ่งเหล่านี้บ้างเขายึดถืออย่างนั้นจริงๆเลยนะค่าของคนที่โลกโลกเนี่ยแต่นักธรรมะอย่างพระพุทธเจ้าเป็นไรหรอกนุ่งหอมผ้าหอศพ ผ้าปะผ้าชุนก็ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าทรัพย์ไม่มีเลยมีบาทใบเดียวรองเท้าก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าแต่เป็นจอมจกักรพรรดิต้องมีฐานะอันพอเหมาะพอสมก็มีภาระพระพุท ธ, ธเจ้าถึงเมื่อจะเป็นพระุเจ้าแล้วถ้าท่านอยู่ทั้งโลกท่านเป็นจอมจกักรพรรดิโอ้จอมจอักรพรรดิเยอะหลาอย่างต้อง ส, สมต้องแบกต้องหามต้องถือต้องยึดเยอะ ท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะต่อให้ใครบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าเอ้ยเป็นพระเจ้าขปัตจักระพัดดีกว่าหน่าสู้ไม่ได้เราไมาเป็นพระพุทธเจ้าสู้ไม่ได้หรอกเป็นจักระพัดดีกว่าต้องสมยุกสมสมัยบางสมัยก็เป็นพระเจ้าจักระพัดดีกว่า เพราะคนยังไม่มีปัญญาที่จะฟังธรรมะอันลึกได้ก็ไปเป็นพระเจ้าจอมจักกะพัทถ้ายุคที่มาเป็นปุถเจ้าดีกว่าจอมจกักกะพัทไม่ต้องหรอกเพราะคนมีบา ร, รมีพอเป็นจอมจกักกะพัทได้ให้ผู้นั้นเป็นเถอะเราไปเป็นจอมไปเป็นนักธรรมะอย่างยุคนี้อาตมาไม่ไปแย่งอาตมาจะเป็นขออภัย ถ้าเป็นประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยที่เป็นประชานาธิบดีอาตมาไม่ต้องไปแย่งตำแหน่งประทานาธิบดีหรอกอาตมาเป็นนักธรรมะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมีประทานาธิบดีเขาก็มีศาสนาเขาก็มีธรรมะอาตมาจะทำงานทางด้านจิตวิญญาณไม่ทำงานทางด้านวัตถุไม่เป็นประทานาธิบดีจะเป็นนักศาสนา แม้ประเทศนะั้นจะเป็นประเทศที่ไม่มีพระมาหากษัตริย์มีประธานาธิบดีก็ตามยิ่งประเทศที่เป็นมหากษัตริย์ศาสนาที่มีพระมาหากษัตริย์อันเหมาะสมนั้นคือเป็นประเทศที่มีสองขามีทั้งวิญญาณและร่างกายสองขาสมบูรณ์ถ้าประเทศที่มีแต่ร่างกายไม่มีวิญญาณก็เปประเทศคอมมิวนิสต์ ปัจจัยคอมมอนิสมีแต่วิญญาณพวกคัมไปมีแต่แมทเทเรียลทมีแต่วัตถุไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณเลยประชาธิปไตยที่ดีต้องรู้จักสัด ส, ส่วนของวิญญาณและสัดส่วนของวัตถุที่ได้สัดส่วนแต่ต้องให้วิญญาณนำวัตถุเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเออดีถกเถียงกันพระคอมมอนิสต์เนะี่ย อินยานจิตนิยมกับวัตถุนิยมอะไรต้องเนื้ออะไรเลยวัตถุต้องเนื้อจิตนิยมจิตนิยมต้องเนื้อวัตถุเทียนกันตายชักพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามโนโปภังก็มาธรรมามโนเสตามโนโมยานั่นคือคําตัดสินว่าจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงวัตถุทั้งหลายแหล่มันจะไปะสู้จิตวิญญาณไม่ได้ถ้าวิญญาณที่ซื่อสัตย์สุจริตมีเมตตาเป็นพระเจ้าเป็นวิญญาณ พ, พระเจ้าที่แท้จริงวิญญาณนั้นไม่มีตัวตน วิญญาณนั้นไม่มีตัวเองวิญญาณนั้นคือมวลชนวิญญาณนั้นคือทุกสรรพสิ่งจัดสรรให้สมดุลและให้สามัคคีทั้งสิโดยไม่จเป็นจะต้องมีตัวตนเลยนั่นคือพระเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดเพราะงั้นพู้ทธดจ้จะเป็นประธานาธิปดีอยู่ใน ประเทศประชาธิปไตยที่ไม่มีไม่มีพระมหากษัตริย์ก็เป็นประเทศเช่นทิเบตแม่ผูตานก็ประยุกต์ประเทศทิเบตยังเป็นตัวอย่างที่เหลือในาศาสนาพุทธว่าพระเจ้าแผ่นดินกับผู้บริหารประเทศอยู่องค์เดียวกัน เพระเาะฉะนั้นจะต้องเข้าใจทั้งวัตถุและบุคคลเ ป, เ, ป เ, ปเป็นเป็นเป็นเป็นสัตบุรุษมีสับริ ธ, ธรรมที่บริหารในสัดส่วนอย่างสมบูรณนะ์ซึ่งต้องจิตและต้องเป็นพระอระหรันต์เพระเาะที่เบรดเขาจึงเอาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นคือผู้ที่สูงกว่าอารหรันต์ อรหันต์โซดาอรนตสกิตารหันต์อ น, กก อ, นอนาคาอารหันต์อรหันต์เป็นอนุอนุพุทธอรหันต์ที่เป็นอเนยตะโพธิสัตวอันสูงขึ้นไปพระโพธิสัตว์ที่จริงที่แท้ที่จะเป็นขั้นเป็นจักรพรรดิได้จริงจะเป็นอระเป็นจักรพรรดิที่แท้ก็คืออนาคามีภูมิขึ้นไปเพราะจะเป็นค า, ารวะที่บริหารประเทศได้อย่างดีก็ต้องมีคุณสมบัติอริยธรรมถึงกันอนาคามีภูมิขึ้นไปไม่มีโลก ม, มีโลกีมีแต่ของส่วนตนที่เป็นกิเลสส่วนตนเท่านั้น mm hmm. ก็ไม่เป็นไรทางกอทุกของท่านแต่ท่านก็ทางานเพื่อข้างนอกและมวลชนหมดที่สารลานกิเลสที่เหลือขท่านไม่ได้ก็เป็นรูปราคะรูปราคะมานาะอุทจจาวขอท่านส่วนน้อยเหลือนิดหน่อยกระชั่งเติมเต็มแต่ยิ่งเป็นพระอาหารหันต์เลยบริหารประเทศ mm hmm. ก็บริหารไปยอดเยี่ยมเลยเพ mm hmm. ราะคุณจะไปรู้อะไรได้ในยุคในสมัยพระ อรหันต์ทป็นบริหารประเทศอยู่คุณก็ไม่รู้อาตมาก็บอกว่าพระพุทธอาตมาพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เนี่ยคือพระโพธิสัตว์อาตมาบอกไม่ได้อ จ, จินใจเกินไปที่จะขยายความให้คุณรู้ว่าท่านโพธิสัตว์ระดับไหนอาตมาตอบไม่ได้บอกไม่ได้เท่านั้นเพราะอาตมาไม่มีข้อมูลพออาตมาไม่เก่ง ต้องอมเราไม่เก่งเต็มทีม่มีข้อมูลพอแลอ้วอาตมาก็ไม่พยายามที่จะราบและลวงก็บไปรู้ข้อมูลอะไรไม่จริงเพราะอาตมาไม่มีเวลาด้วยอาตมาไม่จําเป็นด้วยอาตมารู้แล้วว่าท่านเป็นโพธิสัตว์ก็พอแล้วอาตมาก็เคารพบูชาพระโพธิสัตว์ไปก็สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนรู้ว่าโพธิสัตว์แล้วก็ยืนยันว่าอาตมาไม่โหนพระโพธิสัตว์ พระองค์นี้ไม่ต้องโหนเพราะจะมาว่าอรตมาคุ้มตัวเองได้ไม่ต้องโหนแต่คุณสมบัติหรือคุณธรรมของโพธิสัตว์อันเดียวกันอันเดียวกันหมดเป็นเอกโกธรมโมไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ร่วมกันมันก็เป็นอันเดียวกันอยู่ฝากฟาคนละโลกมันก็เป็นหนึ่งเดียวกัน อยู่เป็นพระเจ้ารหรือเป็นมนุษย์ก็อันเดียวกันเพราะความเป็นพระเจ้าหรือความเป็นคนคุณก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอันเดียวกันถ้าจะอันเดียวกันเหมือนกันหมดพระเจ้าเป็นอย่างไรผู้นี้ก็เหมือนพระเจ้าทำเหมือนพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าทำอย่างไรบริสุทธิ์อย่างไรผู้นี้ก็ทำบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าเหมือนกันหมด มีความรู้ความสามารถอย่างไรคุณจะเท่าพระเจ้าไหมเล่าคุณทำไปเท่าพระเจ้าเลยมีความรู้ความสามารถเท่าไรพระเจ้ามีคุณตทำไปเท่าเลยเท่าได้เท่าไรก็เท่าเท่านั้นเนอัตมายังไม่ถึงพระเจ้ายังทํำไปถึงพระเจ้าทั้งหมดไม่ได้อัตมาก็ทําไปเท่าที่อัตมามีบา ร, รมีอย่างนี้เป็นต้นนนี่คือสัจธรรมที่อัตมาขยายความในวันนี้ที่เขาให้เวลาอัตมาชั่วโมงเดียวแต่อัตมาละเมิด อาตมาถือว่าตอนนี้อาตมาไม่ได้ไปลุกรานอะไรทั้งนี้เพราะทางนี้อาตมาก็เดี๋ยวอาตมาก็ไปข อ, อกินข้าวเท่านั้นนอกนั้นอาตมาก็ไม่ได้ไปรบกวนอะไรนี่แต่ทางด้านถ่ายทอดเขาอนุมานเขาเตรียมไว้แล้วเขาให้อาตมาเต็มๆอาตมาก็ใช้เต็มๆไปโดยไม่เสียอัดไม่เสียเฟืองไม่เสียโซโลต <c oughs> อาตมาก็ใช้ฟรีไป ใช้ได้ฟรีก็ประโยชน์ก็ผู้ได้รับได้รับฟังก็เท่าที่ฟังเท่าที่ฟังมาเหลือเวลาอีกสิบเอ็ดนาทีให้ถามใครจะมีอะไรถามอีกสิบเอ็ดนาทีเชิญตอบได้อย่างสั้นไม่ยาวเท่าไหร่หรอกมีไัมยก็ยจะถามอะไรอ๋อลุนจะสรุปปะ อ๋อจะส่งใหม่ให้นึกว่าจะเป็นเตรียมสรุปท้ายอเข้าใจผิดส่งไหม่ให้เองอ๋อโอเคเขาเตรียมใหม่ไว้อันนี้มีปฏิพาณไงพวกเราทํางานแล้วอาตมาไม่ต้องบอกอะพอบอกใครจะพูดไหมทน่นน ก, กเตรียมเลยท่างหน้าที่ของท่านเสียงก็เตรียมใหม่ไว้อใครอยากได้ก็ยกมือไม่ต้องหุบจั ก, กรแลกก็ได้ทนเอาหน่อยอบางคนอนยังไม่ได้อาบน้ำไม่เป็นไรพระท่านครับ อยากให้พ่ะท่านช่วยทบทวนเมื่อได้พูดกันเมื่อเช้าเนี้ยที่ว่าทําแบบเพ่อท่านเนี่ยทําไมถึงทําได้น้อยทําไมถึงถึงได้เป็นแค่จุลภาคแค<ช>่อะไรนะได้ผลแค่จุลภาคที่เขามองที่เขามองว่ามันจะได้ผลเป็นมหาภาคหรือออะไรสัจจะอะไรถึงได้แค่จุลภาคครับอา้าวตกลงตอบโทษผู้อื่นก่อน คำตอบนี้คือต้องใช้ภาษาชาตินะโทษผู้อื่นก็คือเพราะคนมุนโง่คนไม่มีปัญญาคนเป็นอวเว น, นยัยสัสตร์มันเยอะอาตมาสอนยังไงสอนยังไงก็สอนไม่เข้าสอนไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องจํานอนว่าเราก็จะต้องมีมวล น, น้อยนี่แหละเท่าที่สอนได้อาตมาไม่บังคับอาตมาถนัดที่จะทําอิสระเสรีภาพไม่บังคับ อาจจะมองในลักษณะว่ายัดเยียดอยู่บ้างก็ยัดเยียดแต่ไม่บังคับนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีปัญญารู้ว่าควรเอาคุณรับไปเลยหรือที่เราจะใช้ภาษาว่ามาตามหายาต <c oughs> ใช้ภาษาว่ามาตามหายาตก็คือมาตามเอาพงเผาพงเผาที่เป็นพุทธพงพุทธเผาจริงๆ ไป็นพวกที่มีเชื้อแบบนี้่แบบโลกุตระแบบอริยะแบบพุทธเนี่ยโอ้นี่ใช่แล้วทวดเรามาปู่เรามาพ่อเรามาแล้วมาเธอมาเธอพวกคุณเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลี้เป็นโลานมาก็มาสืบตระกูลต่อมาเอาเชื้อต่อเชื้อมันพร่องนะเนี่ยไปถูกเขาละลายไปถูกพวกอื่นแพร่เชือ้อเอชไอวีมาไปเชื้ออะไรก็แล้วแต่ โอ้เสียหายมากเชื้ออะไรก็แล้วแต่เถอะคุณก็เลิกแต่จริงๆเชื่อเอชเอวจะออกมาจมานะไม่ให้มานะที่นี้ยังปิดอยู่แล้วยังไม่ไม่กล้ารับใครไปติดเชื้อไอ้ น, นี้ห้ามเข้าต่ออยู่ก่อนถือว่าเป็นภัยหนักร้อยไม่เก่งเอาคำตอบเมื่อกี้ได้จะหนี้ไปอื่นอีกหนึ่งคนมันไม่สามารถรับได้ แล้วคนปล่องนั้นเป็นอาวุธใน ย, ยัษสัตวเยอะนี่โทษคนอื่นก่อนสองโทษตนเองอาตมาไม่เก่งอาตมามีฝีมือเท่านี้โทษตนเองไม่ได้ลบลูตนเองหรอกโทษตนเองว่าอาตมาไม่เก่งจริงๆไม่มีฝีมือคนนี้ทำไมไม่เก่งแล้ววะก็มันอยากเก่งเมื่อกี้น่ะมันเก่งได้เท่านี้ทาาเพียนอยู่ I will try พักเพียรอยู่พยายามอยู่ที่จะเก่งกว่า น, นี้ได้เท่านั้นไอวิล <I will. S 1> ไม่ใช่ไอแคล์เท่านั้นนะไอวิลจริงๆนี <Yeah. S 2> ่คือคําตอบว่าทําไมได้เท่านี้นมันเป็นสัจธรเพราะฉะนั้นในกาละยุคกลับกับนี้มัน ใ, นใกล้กระลียุคแล้วมันเป็นเหตุปัจจัยที่แท้คนเสือ่อมจนไม่สามารถจะสอนได้เพราะยุคนี้พระพุทธเจ้าจะเกิดมาเลยเสียพระพุทธเจ้าหมด ฟีมือเท่านี้เลระพุทธเจ้าใช่ไมหน่ายหรือต้องปล่อยหน้าแค่โพธิสัตว์นี้เข้ามานาแค่นี้มาเป็นไปไรเราไม่เสียหน้าเท่าไรหรอกถ้าอาพุทธเจ้ามาไม่ได้หรอกเสียศักดิ์เสียศีหมดพรุทธเจ้ามาเกิดตอนนี้อะไรวะสอนคนได้เท่านี้พระพุทธเจ้าท่านจะต้องประมาณพระพุทธเจ้าท่านวิตกปริวิตกว่าท่านมีเพราะว่าท่านตัดสูรและท่านก็รู้ว่าตัวเองเป็นพรุทธเจ้าในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห วันนั้นวันที่พรเจ้าตัสรู้นั้นเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วท่านก็รู้ว่าท่านเป็น พ, พระพุทธเจ้าเพราะท่านรู้ว่าอ๋อท่านมีพุท ธ, ธการะธรรมเต็มแล้วมีสมาสมบสิญาณครบแล้วเพราะชาติที่เป็นเจตตาจะไม่ศึกษาธรรมะพรุทธเจ้าเลยของเก่าทั้งสิน้นพอระลึกดูตรวจสอบแล้วอ๋อเราใช่พระพุทธเจ้าเราพร้อมล้วเต็มแล้วขึ้นคานไว้แล้วทีนี้ก็ตรวจโลก ตัวโลกก็คือพุทธุพกาละเรียกว่าพุทธุพกาละในยุคนีกาละนี้ดูซิว่ามันจะสอนคนนีคนมันจะรับธรรมพุทธเนี่ยมันจะพอรับได้หรือตอนแรกก็ปริวิตกไอ้ยย คงไมคนมันกิเลสหนากันขนาดนี้ไม่ว่ากาไม่ว่าอัตตาตายตายตายตายเดีวยวมันจะสอนไว้แล้วก็ปริวิตตกว่าไม่อาแล้วสอนเสียธรรมะหมดเอามาสินค้ามาขายไม่มีใครซื้อเลยตายหอบสินค้ากลับบ้านไปขายหน้าหมดเลยไม่มีใครรู้จักค่าของสินค้านี้เลยเจ้าสินค้านี้มาเปิดได้ไงท่านก็ปริวิตรตกเพราะตรวจกาละ ทุพุทธุปกาละแล้วตรวจยุค ก, การนั้นแล้วก็ปริวิตตกเสร็จแล้วก็มีมีพระเมตตาเรียกว่าสัมบดีพรหมพระเมตตาเมตตาการุณามุติตาทั้งหลายเรียกว่าสหรวมกันมาเตือนนุพุตรจาว่าอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนตัดศินท่านก็ตรวจ อ, อีกอ๋อผู้มีทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่พอสอนได้ มีมีไม่ซูนเปล่าหรอกแต่น้อยนะยุคนี้ทั้งไงก็ต้องน้อยแต่เอาละน้อยก่อนน้อยเพราะการอายุมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจธ้าทุกพระองค์ไม่ได้มีความรู้ <c oughs> ไม่ได้มีความรู้น้อยกว่ากันเลยแต่เหตุปัจจัยต่างกันในยุคคนเป็นอวนยัยนิยสัตย์เท่านี้ก็ต้องสอนเท่านี้เต็มที่ หมดแรงหมดกําลังหมดเวลาเท่านี้ก็ได้เท่านี้เพราะฉะนั้นจึงสอนคนนันเอมาบรรลุธทำได้เท่านี้มาขาบูชาของพระสมณะโคโดมจึงมีครั้งเดียวพระอาหารหันต์ที่มาร่วมประชุมโดยไม่ในนั้นหมายก็มีเพียงพันสองห้าสิบนี่คือยุคปลายพัตตกับเต็มทีแล้วคนมันได้เท่านี้จริงๆริงในสุดพัตกับนี้ก็มีพระพุทธเจ้าสมณโคโดมเป็นองค์ปลาย ต่อจากนี้ไปกลรียยุคแน่นอนอาตมาไม่ได้สงสัยเลยเดียวนีอาตมามีความรู้และรู้จริงๆอาตมาไม่ดันดุลังอะไรเพราะฉะนั้นอาตมาสอนคนได้น้อยก็ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังมักน้อยเลยแล้วโพธิรัต่โพธิรัตจะไปมักมากอย่างนั้นได้ยังไงโุดีตโซดนธรรมอยูสย่สิ <laughs> ใช่เหตุปัจจัยทุกอย่างมีแต่เหตุปัจจัยเพราะอาตมาไม่ดันตรังโลกอาตมาไม่ตะกละหรอกอาตมาก็ทําไปตามภาษาที่อาตมาและอาตมาก็ต้องดูอัตตัญญูตาว่าตัวเราก็เท่านี้โพธิสัตว์อาตมานี่แค่อันดับเจ็ดแปดยังไม่ถึงคุณจะอ้าขาประวัตปีกไปเกินนั้นอาตมาว่าอาตมาเรียนธรรมบุพุทธเจ้ามาแล้วอาตมาไม่บังอาจอะหังการมะมังการกว่านั้นอาตมาเจียมตน และพยายามเลยพระเจ้าสอนอาตมาว่าให้มีคาราวอนิวาโตให้อ่อนน้องให้ทําตนให้รู้จักเคารพนับถือผู้อื่นอาตม า, าให้เกียรติคนอาตม า, าไม่ไปลบหลู่ใครอาตม า, าไม่ไปอวดตนอวดโตข่มใครใครจะว่าอาตม า, าต่ำกว่าด้วกว่าบ่มีไกลอชอวปะสาทต่างดาวอีกน ะ, ะบ่มีไกลไม่เป็นไร Never mind. ไมเป็นไร <c oughs> น่เอา้าอันสุดท้ายอ้ย่าอีกสองนาทีคำถามจากนักกฎหมายนักบริบทบ้านเมืองนั่นแหนคิดแบบนี้ถูกหรือไม่ในความเห็นพวกครูจะปรับอย่างไรเป็นคติธรรมของท่านพุทธทาสอ๋อเนี่เอาของท่านพุทธทาสมาเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา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 จริงโดยกวีบทนี้องค์รวมนั้นดีถูกต้องในประเด็นละเอียดเท่านั้นที่อาตมาจะขอวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าท่านสรุปแล้วท่านก็บอกว่าเอาเถอะคนเรามันมีดีมีชั่วส่วนดีของเขามีเท่าไหร่ก็เอาส่วนดีมาใช้มารวมกันส่วนชั่วนะั้นมันเป็นของเขาก็ของเขา ชั่วมันก็ทาบาปต้นเวรของเขาถ้าเขาไม่แก่ไม่ครก็แล้วไปทีนี้ที่อาตมาจะติงท่านก็บอกว่า อ, อย่าไปรู้ส่วนชั่วของเขาเลยนะอาตมาว่าอาตมาไม่เอาด้วยอาตมาต้องพยายามรู้ส่วนชั่วอันนี้ดีไม่ดีมันส่วนชั่วชั่วมากๆากยอาตมาก็ยังตาบอดไม่รู้ส่วนชั่วเขามากมากนี่เลยโอ้อาตมาโง่าตายเลยนี่คือข้อย่อยที่อาตมาเห็นไม่ไม่ไม่เหมือนพระพุทธท่าน ท, ท่านว่าไว้แต่เห็นด้วยองค์รวมนี่ดีมากแต่องค์ย่อยบางอย่างเท่า น, นั้นในประเด็นที่อาตมายกตัวอย่างละเอียดกว่านี้ก็เอาละพอนะเช่นท่านบอกว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาเนี่อาตมาก็าไม่เห็นด้วยอาตมาว่าไอ้คนชั่วคนเลวนี่เขามีคนส่วนชั่วนี่ควรจะเตือนช่วยเขาบ้างนะเล็ดอิดบีเลยเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะช่างหัวเขาเลยนี่ไม่เอานะ มีส่วนชั่วยเขามีส่วนเลี้ยบ้างช่างหัวเขาเล็ดอีกปีเอานาะดูเขาบ้างแลกเขาบ้างช่วยเขารด้เขาช่วยช่วยไม่ได้ก็โพรหมทันแล้วไปถ้่สุนทิสัยนี่คือน้ําใจอาตมาส่วนท่านพุทธทาจะมีน้ําใจอย่างอาตมาหรือท่านมีแต่ท่านจำเป็นต้องแต่งกรอนแบบนี้แต่ที่จริงท่านก็มีใจเหมอนาตมาก็แล้วไปอาตมาไม่ ม, มีสิทธิ์ไปรวมรู้ใจท่านพุทธทาเท่านั้นเองนะจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่อันนี้แน่นอนตรงกันอยู่แล้วส่วนดีของใครเลือกเอา ท, ที่สุดนะมีประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูถูกต้องส่วนที่ชั่วอ ย, ย่าไปรู้ของเขาเลยอัตมาคารแยงแล้ ว, วไม่ได้ส่วนชั่วชั่ว ย, ยิ่งชัว่วใหญ่ๆหญยาวๆต้องรู้ชั่วเล็กๆน้อยๆยยังรู้ได้ก็เอารู้ยังไม่ได้ก็แล้วไปมันชั่วเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยู่ในคนหยาบมันแฝงเก่งมันพรางเก่งมันซ่อนเก่งนะเราไม่สามารถที่จะไปลวงรู้ไอ ลวงลึกไปรู้ไอ้ส่วนที่มันซ่อนอฮิตเด่นฮิตเด่นอะไรอยู่เนี่ยมันมันเก่งมันเป็นสิ่งที่ซ่อนแฝงอยู่แต่ก็พลางได้เราไม่สามารถลวงรู้เข้าไปในพลอิเจียนพลังงานนี้พลอิเจียนอันนี้อัตมาเข้าไปล่วงเขา ไ, ไม่ถึงไม่ลึกก็แล้วไปก็ต้องยอมให้เขาใช้พลังงานนั้นอยู่ แต่ถ้าอาตมาล่วงก็ไปหรือพลเรือนเข้าได้นะอาตมาจะไม่ยอมความเร็วนี้อาตมาจะปราบปราบความเร็วนี้เหมือนกันช่วยปราบไม่ต้องพูดถึงไอ้ไอ้ตัวพฤติกรรมที่มันที่อาตมาเอาคำ้องค n ค t ิ c กับพ e เ t i a l มาใช้นี่คือพลังงานที่ละเอียดแล้วพลังงานที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นคณิตเนี่ยมันยาวมันรู้ง่าย ส่วนพลังานที่รู้ยากคือพลังงานเอนทีเนอเนี่ยถ้าอาตมารู้พลังงานอันนี้อาตมาเข้าไปช่วยแต่ถ้าอาตมาทะลวงพลังงานอันนี้ไม่ได้อาตมาก็จำนวนเพราะฉะนชั่วอย่าไปรู้ชั่วของเขาเลยอย่ามาพูดอย่างนี้อาตมาไม่เอาอาตมาต้องรู้ชั่วของคนทั้งหมดแหละเพราะอาตมามาเรียนความดีความชั่วของความเป็นมนุษย์ทุกฐานนะนะส่วนอันหลังไม่มีอะไรท่านก็สรุปอันบนนั่นเอง จะหาคนดีมีส่วนเดียวหาไม่ได้นะถูกต้องนยะจะมัวเที่ยวค้นหาคนหาเสียหายเอ่ยก็ถูกต้องคนดียวส่วนเดียวนี่ไม่ได้เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยก็ถูกต้องฝึกให้เคยแต่มองแต่ดีที่มีคุณอัสุดท้ายนี่อาตมา ก, ก็ไม่เอามองแต่ดีที่มีคุณไม่เอาต้องมองชั่วด้วยเพราะฉะนั้นคําสอนของตัมพุตตะเราบอกว่ า, วานะความชั่วความดีอัปรีทั้งนั้นอาตมา ก, ก็ไม่เห็นด้วย ไม่ได้เราเอาความดีก็ไปเป็นความอัปรีด้วยก็ชิบหายใหญ่เลยแล้วกันดีก็ต้องดีสิเอาดีไปตีคุ้มบอกว่าอะไรทั้งชั่วทั้งดีอปรีทั้งนั้นตายตายตายตายอภรีแปล ว, ว่าอันเป็นที่รักความดีต้องเป็นอันเป็นที่รักสิความชั่วเท่านั้นเลยเป็นไม่อันเป็นที่รักเพราะฉะนั้นอันนี้แกล้เน้นรายละเ อ, ยเอียดตท่นั้นที่อัตมาแยวรตุลาตาสอาก็เอาละเอาไปเอามาเลยเวลาไปสี่นาทีขออัมภัยหุนตระกูล เรามีคนคนหนึ่งเป็นมิตรธรรมิกชื่ออำไพนาำสกุลหุ่นตะกูลยังอยู่อาตมากแ ก, ก่อาตมาปีหนึ่งนานางสาวด้วยนะเป็นนางสาวอำไพหุ่นตระกูลฮอาตมาตั้งชื่อให้ว่าคุณคร่ำคร่าเขาก็ชอบใจชื่อนี้คุณคร่ำคร่าคือคร่ำคร่านี่ดีกว่าคร่ำครึาดีก็ ทำอะไรอื่นลนะ่ะยังมีค่านะคำคลานะ้าเนี่ยยังเรียกว่ายังมีเหตุปัจจัยที่ใช้ได้คำคลา้าของเก่าที่คำคลานะ้าเนี่ยโอ้โหราคาแพงนะแอ น, แอนติกที่คำคลานะ้า <c> เ <oughs> นี่ยพอจบการบรรยายถึงวันนี้เพียงเท่านี้จเจริญธรรมทุกคน